อาจารย์ครับการรัศกรครับเจริญพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดรายการวิสัชนาธรรมครั้งที่สองร้อยสิบห้าแล้วครับอาจารย์ครับเมื่อเช้าอาจารย์ไปวินาบาทคนเยอะไหมครับอาจารย์ครับก็เท่าเดิมประมาณสี่ร้อยแปดสิบสี่คนสี่ร้อยแปดสิบสี่คนกับห้าร้อยครับผมแล้วก็ทางบ้านเพิ่มมา สองร้อยก็ประมาณสองร้อยฮแล้วคนไปฟังความเป็นมาเจ็ดร้อยคคนมาฟังทำให้น่ากุติประมาณน้อยแปดสิบคนเลยนีร้ยแปดสิบคนรวมทางบ้านวันนี้ได้ถึงพันไหมครับพันหนึ่งร้อยแปดสิบกว่าประมาณนี้เป็นถือว่าเป็นเกณฑ์เป็นปกติครับ ตอนนี้ที่ชมกันอยู่ทางสามสี่ช่องทางนี้ก็ประมาณพันหนึ่งพันคนแล้วครับอาจารย์ครับแต่ของที่อของคนหนอนที่ดูย้อนหลังมันขึ้นเป็นแสนเลยนะใช่ไหมครับใช่ครับอ๋ อ, อ, อเซ็ตอย่างนี้แล้วกับคนมาดูย้อนกันเยอะเหมือนกันครับแปงนะไม่มีหน้าไม่มีหน้าตาเลยอ๋ <laughs> อผมว่าเขาคงเห็นผมไหว้อะไร <laughs> มันก็ยกมือทําไมอะไร <laughs> อะไรเข้ามาดู แต่เราไม่รู้ว่าคันดูนานเท่าไหรแต่เราไม่รู้วันดูนานเท่าไหร่ใช่ใช่ครับอาจารย์ก็อาจจะมาดูว่า ค, คุณบอกวา่าแค่สิบวินาทีเลยไม่ใช่ครับอาจารย์ครับว่อาอาจารย์ครับเมื่อวานนั้นที่แจกหนังสือธรรมมาครับเจ็ดร้อยกว่าเล่มนี้หมดในวันเดียวเลยครับอาจารย์อก็หวั ง, ว, ง, งว่า อ, <น>อับดานเอาไว้คนจะได้อ่านถ้าได้ไปก็ไม่ได้อ่านก็น่าเสียดาย อาจารย์ครับวันนี้ได้ตั้งชื่อหัวข้อคนสนใจครับชีวิตหลังความตายครับพระอาจารย์ครับเป็นยังไงไหมครับเราจะไปที่ไหนได้บ้างครับอาจารย์กราบขอปัญญาครับความตายก็เหมือนตอนที่เรานอนหลับนะตอนที่เรานอนหลับเราก็ตายชั่วคราวนะั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้ใช้ร่างกายจิตไม่มีไม่สามารถใช้ร่างกายพาไปเสพสุขได้เสพรูปเสียงกลินลนได้ จิตก็เลยต้องอาศัยประสบการณ์ที่เคยไปทํามาในอดีตที่เรียกว่าสัญญาอที่ประสบการณ์มันก็มีทั้งดีและไม่ดีอถ้าเราทําบุญเราก็สะสมประสบการณ์ที่ดีที่ให้ความสุขถ้าเราไปทํำบาปเราก็สะสมประสบการณ์ที่ไม่ดีให้ความทุกข์กับเราแล้วเวลาเราฝันหลับเราก็จะฝันึงเรื่องดีหรือไม่ดีนี่ ขึ้นอยู่กับว่าฝ่ายไหนมีกำลังมากกว่ากันถ้าเราทําบุญมากกว่าทําบาปบุญก็จะเป็นผู้ผลิตรายการให้กเราได้สัมผัสคือความฝันนี้โลก เ, เ, เ, เวลาที่ร่างกายตายไปแล้วเวลาที่ร่างกายนอนหลับนี้จิตก็เ ข, ข้าสู่โลกของแดนเขาเรียกว่าแดนในระมิตเนีแห่งความฝันแล้วผู้ที่ในระมิตก็คือบุญหรือบา จะว่าถามว่ามีจริงไหมในโลกสวรรค์เนี่ยก็มีจริงเนี่ยแต่มันอยู่ในรูปแบบของความฝันในจิตของเราเองมันไม่ได้เป็นสถานที่เหมือนกับที่เชียงใหม่หรืออยุธยาที่เราไปรวมกันที่นั่นมัน อ, อยู่ในอยู่ในใจของเราแต่ละคนเช่นตอนที่นอ น, น, อนหลับเนี่ยเราก็ฝันกันครทุกคนบางที้ก็ฝันดีบางทีก็ฝันร้ายเพราะ ที่ฝันดีฝันร้ายเพราะว่าบุญกับบาปแล้วมันสลับกันมีกําลังเราอย่างไม่ตายเราก็ยังมีโอกาสบางวันเราก็ทําบุญมากหน่อยบางวันเราก็ทําบาปนี่มันก็เลยสลับทําให้เวลาเราฝันมางทีแล้วก็ฝันดีบ่างฝันได้ายบ้าก็ขึ้นอยู่กับกําลังบุญกําลังบาปที่จะมาผลิตความฝันให้กับเราได้สัมผัสแต่ตอนที่เราอยู่ในข้าวสารนี่เราเแค่เป็นความจริงนะเราไม่เราไม่เว่นเราฝันแล้ว ทุกก็ทุกจริงๆสมก็สุขจริงๆแต่เมื่อรู้ตานภายหลังตอนที่เราเต็งขึ้น่าโอ้มันเคยนิ่งฝันฝันลายบนงทีเงาแตกไปเงาแตกท่วมตัวก็มีเวลาฝันลายขึ้นมาฝันดีก็มาไม่อยากจะตื่นเลยอยากจะกลับอยู่ในโลกของความฝันดีกว่านี่แหละคือโลกหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วจิตก็เข้าสู่แดนนิรมิตเองแดนแห่งความฝัน ฝันดีฝันไม่ดีฝันดีก็มีสวรรค์6กชั้นก็มีความสุขในระดับต่างกันฝันเป็นพันธานาธิปดีฝันเป็นพระเจ้าแผ่นดินฝันเป็นมหาเศรษฐีฝันเป็นดาราภาพยนตร์เป็นนักล้อมีชื่อมีเสียงอะไรต่างๆนี่คือเรื่องของความฝันดีมันก็สร้างความสุขให้กับเราแต่ถ้าเราไปทำบาปมันก็จะฝัน้าย ฝันรก็ไม่สี่ลักษณะฝันว่าเราไปตกอยู่กับกำน้ำําบาโออยากขาดแคนหิวโหยนี่ก็เรียกว่าเราอยู่ในแดนเปรตแล้วมีแต่ความหิวโหยเดีวถ้าเราฝันว่าเราไปอยู่ในสภาพว่าสถานที่ที่มีแต่ความหวาดกลัวน่ากลัวมีสิ่งแต่น่ากลัวมีสิงสาสัตว์สัตว์ร้ายด้วยคาานต่างๆที่จะมาคอยกัดคอยกินเราอันนี้ก็เราอยู่ในแดนของอสู ร, รกายแล้ว ถ้าเราฝันว่าเราไปอยู่ในในสภาพของการท่าฟันกันร่างแค้นกันก่อเกลเจกันาคาตพยาบาทกันอยู่ในสงครามเป็นต้นเนี่ยสแสดงว่าเราเราอยู่ในนรกนรกหลายเหตุที่พาให้เราไปอยู่แดนเหล่านี้ก็คือทํำบาปด้วยความโลภ ก, ก็ไปเป็นเปรตจะไปฟันในเรื่องหิวโหยทํำบาปด้วยความกลัวก็จะไปเป็นอรคร่กายทํำบาปด้วย ความมาฆ่าพยาบาทโกรธเกยเียดเคียดแช่นก็จะไปอยู่นรกแล้วถ้าทำบาปด้วยความหลงไม่รู้วบาปว่าเป็นบาปก็ไปเป็นสัตว์เดยอดฉานนี่คือนอ้นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เราตายไปแล้วเชื่อไม่เชื่อก็ไม่ไม่เป็นปัญหาเลยความจริงย่อมเป็นความจริงพระพุทธเจ้าทุกๆพกองไม่เคยมีใครปฏิเสธเรื่องสวรรค์เรื่องนรกเรื่องบุญเรื่อ ง, อ ง, อ ง, อ ง, องบาป อาหารทุกโลกถ้าไม่มีใครมาปฏิเสธก็ไม่มีจริงทุกโลกทั้งตามเหมือนกันหมดอสวรรค์มีจริงนรกมีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงทำบุญ้็ไปสวรรค์ทำบาปว้วไปนรกไปละบายอันนี้เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมที่จะเกิดขึ้นกับจิตใจของพวกเราทุกคนจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามมันก็จะเกิดขึ้นเมืนกับเรา เราทํำเราขับรถเราไม่เราไม่รู้ผิดกฎจราจรตำรวจแล้วก็จับเขาก็ไม่เขาไม่ฟังเราว่าเรารู้ไม่รู้เขาก็จับเราไปลงโทษปรับเพราะเราทําผิดเราจะเชื่อไม่เชื่อว่าสวรรค์มีจริงหรือว่าไม่จริงทําบาปทําบุญทําทําให้เกิดผลอะไรนี้ขึ้นมาถึงเวลามันก็กรรมมันก็ทําหน้าที่ของมันทันทีทําตั้งแต่เรายังไม่ตายตอนที่เรานอนหลับเนี่ย มันก็เป็นเหมือนกับเป็นนักชายนังตัวอย่างให้เราดูนะว่าเราจะไปทิศทางไหนกันถ้าเราฝันร้ายบ่อยๆเนะี่ยมันก็บอกแล้วว่าโอ๊ยอนาคตของเรานี้ไม่ดีเลยนะแต่เราจะแก้ได้ตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่บางคนฝันร้ายมากๆก็ขยันสายบาสบางคนนี้ไม่เคยสายบาสแล้วอยู่ดีๆมาใส่บาสแทบทุกวันแล้วก็งงทําไมมาสายบ า, างงสา หรือเขาคิว่าเขาจะตายหรือเปล่าบางทีไปหาหมอหมอบอกเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายหรือเปล่าอยู่ที่นี้ก็มาใส่บาตรทุกวันเลยไม่เคยใส่มา่ก่อนเลย<ม>บ้านก็อยู่ที่ทางเดินสายมินดาบแตาไม่เคยเออกมาใส่แล้ววันนี้กันนี้ก็โผล่มาใส่ทุกวันใส่เป็นประจําเ<ม>นี่มันอาจจะมีสาเหตุหนึ่งเขาอาจจะไปเจอความทุกข์อย่างใดอย่งางห<ม>นึ่งขึ้นมาทุกข์ในฝันหรือทุกข์ในในโลกของความเป็นจริง มันเจอโรคมะเร็งแล้วโรครายที่รักษาไม่หายเขาก็เลยว่าทำบุญดีกว่ายังได้เผื่อไว้จริงก็ไม่จริงก็เผื่อไว้ไม่ขาดทุนอย่างไยทําแล้วก็ทําให้สบายใจขึ้นมาอันนี้แหละคือเรื่องของโรคของที่เราจะจะ ต, ตามมาพวหลังจากที่ร่างกายตายไปแนละ้วใจเราไม่ได้ตายคอามจรงร่างกายก็ไม่ได้ตายร่างกายมันแยกแยกส่วนออกไป ส่วนที่มารมตัวกันคือดินน้ำลมไฟมันก็ยากทานกันไปคนละทิศคนละทางจิต ท, ที่เป็นธาตรู้ก็ยยกยากจาก่าสี่ทางร่างกายไปจิตก็อยู่ในโลกของโลกโลกทิปที่โลกของแดนเนลเมตเองคนยังเข้าใจไหมครับผมอาจารย์ครับแล้วอย่างคนที่เขามาใส่บาตทุกวันอย่างี้เขาแก้ปัญหาได้ถูกไหมครับอาจารย์ ทั้งทำก็ถูกอ่ะอดี๋ยวนั้นเพิ่มบุญไปเรื่อยๆทําให้บาปที่อาจจะมีกําลังมากกว่านี้ลดน้อยถอยลงไปจนกระทั่งบุญอาจจะมีมากกว่าพอตายไปทางที่จะไปอบายก็ไปสวรรค์แทนแล้วพอบุญกับบาปเท่ากันก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วยังพยายามทบุญต่อก็ยังสามารถกันไม่ให้ไปเกิดในอบายได้ไปเรื่อยๆตามดาที่เราทําบุญมากกว่าทำบาป อะไรต่างๆที่เราทำไว้มันยังไม่ไม่มีกําลังที่จะส่งผลเหมือนกับคนสองฝ่ายชักกรเยอะกันเนี่ยฝ่ายนึงมีกําลังมากกว่าฝ่ายนั้นก็ยืนดึงไปทางทางของเขาอยู่เรื่อยฝ่ายที่มีกําลังน้อยกว่าก็ไม่สามารถจะดึงให้มาอีกทางได้จกกนกว่าฝ่ายตรงข้ามเขาอ่อนกําลังลงแล้วฝ่ายที่เคยถูกที่มีกําลังน้อยกว่ากลับกลายเป็นมีเป็นฝ่ายที่มีกําลังมากกว่าเขาก็าจะได้ดึงเราไปอีทางหนึ่งได้ ยพยายามทำมุนไม่เถอดแล้วก็ลดการกระทำบาปไว้อันนี้นะจะประกันประกันอบายได้อาจารย์ค<ร>ับแต่ละคนใช่เวลาเราลวลาเราฝันฝันมากฝันดีแล้วฝันฝันไม่ดีก็ ค, อ ย, คอยสังเกตดูอันนี้เป็นเหมือนกับเป็นบ่งบอกเป็นสัญส ญ, ญาณบ่งบอกว่าเราจะไปทิศทางไหนก็ภายไม่กี่คืนเราะพูดเลย อาจารถามพระอาจารย์ต่อว่าแล้วแต่ละคนใช้ชีวิตหลังความตายนี่ยาวนานต่างกันด้วยไหมครับอาจารย์ก็ทํามากทําน้อยไงทําบุญมากมันก็ได้รับผลบุญนานทําบุญน้อยก็ได้รับผลบุญน้อยก็ได้รับผลบุญสั้นทําบาปมากมันก็มันก็รับโทษยาวหน่อยถ้าทาบาปน้อยมันก็รับโทษน้อยหน่อยบาปก็อยู่ที่เราทํามากทําน้อยด้วย อย่างนี้บางคนกลับมาไม่อยู่ในโลกนี้แล้วครับโลกหายไปแล้วก็มีนครับอาจารย์มันมีดวงดาวดวงหื่นที่มีมนุษย์อยู่ได้จิตนี่มันสามารถเดิ น, ดนทางในไ ด, ด้ด้วยเพียงแค่กระพริบตาก็ถึงแล้วมันไม่ต้องเดินทางเพราะมันไม่มีร่างกายมันไม่มันใช้ส่งกระแสจิตไปสู่ไปเกาะร่างกายที่อยู่ในจักรวาลนี้ดวงดาวดวงไหนมีมนุษย์เนี่ยมันสามารถไปได้หมด ขอบพระคุณพระอาจารย์ที่ใ้ปัญญาครับ ม, มีคําถามจากหลายท่านเลยครับแล้วเขาถามต่อมาว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรครับอาจารย์เกิดเพราะตัณหาความอยากมันพันรันให้เรามาเกิดแตัณหาเกิดจากอาวิชชาความหลมความไม่รู้ความจริงความไม่รู้ความจริงว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนก็เลยไปคิดว่าความสุขอยู่ที่การไปเกิดไปเสพรูปเสียงกินดูก็ต้องมีร่างกาย ก็เลยไปไปเกิดอยู่เรื่อยๆเพราะว่ารูปเสียงกลิ่นรสนี้เสพเท่าไรก็ไม่อิ่มไม่พอเพราะเป็นเหมือนยาเสพติดเสพไปจนวันตายความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสก็ยังมีอยู่พอร่างกายตายไปความอยากที่อยู่ในจิตมันก็จะเป็นตัวคอยผลักดานให้ไปเกิดใหม่แต่ก่อนจะเกิดใหม่ก็ต้องผ่านด่านนั้ำโลกนุกสวรรค์ไปก่อนถึงจะไปไปเกิดใหม่ได้ พอไปเกิดก็ไปทําตามเดิมเองใช่ไหมทุกคนเกิดมาไม่ใครสอนแมว่าให้มาหาความสุขจากเรื่เสียงกลิ่นอะไไม่มีใครสอนอ่ะแม้แต่เด็กทารกที่อยู่นอนไปเนั่นก็เริ่มร้องละน้องขอให้ดูให้ได้ฟังให้ได้ดูอะไรบ้างพ่อแม่เลยต้องซื้อตุ๊กตาซื้อของเล่นมามาหลอกมาล่อใช่ไหมอมีของเล่นมีอะไรแขวนอยู่บนเตียงเนี่ยบนบนที่เด็กนอนเนี่ยพอเด็กมองขึ้นไปเห็น เห็นอะไรลอยไปรอยมาก็เกิดความเพลิดเพลินขึ้นมาหรือได้ยินเสียงอะไรมันก็เพลิดเพลินไปเด็กบางเรไม่ร้องกันเนี่ยของต่างๆนี่ซื้อมาี่เพื่อดับความทุกข์ของเด็กะตุ๊กตาต่างๆของเล่นต่างๆของเด็กนี่เป็นการตอบสนองตัญหาของของเด็กเด็กอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องมีของเล่นต้องมีอะไรให้มันฆ่าเวลาไปมันๆหนึ่งเพราะมันหิวหิวเห็นรูปเสียงกลิ่นนวดผ่อนสะพะเหมือนกับผู้ใหญ่ะ เแต่เปลี่ยนเป็นวัตถุผู้ใหญ่ก็เอาของจริงสันทีเอาตุ๊กตาก็เอาเอาคนจริงเลยเอาของจริงยันถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดต้องตัดความอยากเหล่านี้ไปให้หมดตัดความอยากเมื่อวินว่าอยากจะเสกกามให้ได้แล้วเราก็จะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์กต่อไป อยากทราบว่านมวัวถือว่าเป็นน้าําปานะของศีลแปดได้ไหมครับก็เป็นความความคิดเห็นของสงสองฝ่ายที mm. ่ไม่เหมือนกันฝ่ายหนึ่งก็ว่าเป็นน้ําปานะอีกฝ่ายหนึ่งก็ว่าเป็นอาหารฝ่ายที่ถือว่าเป็นอาหารก็ไม่ฉันไม่ฉันเครื่องดื่มที่มีนมผสมอยู่เมื่อของอะไรต่างๆที่มีนมผสมอยู่เช่นช็อกโกแลตนี่ก็ไม่ฉันช็อกโกแลตที่มีนมผสมอยู่ก็ไม่ไม่ฉัน กันแต่ช็อกกแลตที่มีโกโก้ผสมน้ำตาลนี่ได้อต่ถ้าเป็นเครื่องหนึ่งกาแฟคอฟฟี่เมลนี่ก็ไม่ได้นะถือว่าเป็นเป็นเหมือนนมเทียมถ้าจะดื่มกาแฟแล้วบอกว่านี่คือเป็นคอฟฟี่เมลไม่ใช่นมเป็ น, เ ป, นเป็นเป็นอะไรกันไม่รู้อะโอ้ไม่ได้หนละ้วมันก็ใช้เหมือนกันใช้แทนนมมันก็ถือว่ามันก็ท่านก็จะดื่มกาแฟดำเหมือนสำหรับผู้ที่เห็นว่านมนี่เป็นอาหารก็ไม่ดืม่มไม่ใส่นม ในเครื่องเดิมเดินทางทำไมพระพุทธเจ้าตอนเกิดมาแล้วถึงสามารถจะเดินได้เลยครับอาจารย์ก็เรื่องของพลังจิตเนี่ยจิตนี้มีพลังมากแต่ไม่ได้หมายถึงเกิดออกมาจากท้องปั๊บแล้วลุกขึ้นมาเดินเลยอาจจะต้องใช้เวลาพักสักหลายชั่วโมงหรือวันสองวันก็ได้ยิ่ในในประวัติเขาไม่จะมาเล่ารายละเอียด แต่เด็กที่มีจิตที่มีพลังนี่สามารถสั่งให้ร่างกายทำอะไรที่คนทั่วไปไม่สามารถทำได้เด็กกัชริย์ใช่อายุแปดขวบสิบขวบเข้ามหาลัยได้เนี่ยแล้วเร่งของพลังจิตนี่เป็นตัวที่ทำให้ทำอะไรสิ่งที่คนมนุษย์ธรรมดาเราอย่างเราอย่างท่านทำกันไม่ได้ตเตงพระเจ้านี่มีกำลังมากสามารถสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหว ได้อย่างง่ายดายและรวดเล้วอ่าคนทั่วไปจากนุ่มน้อยนะครับสองข้อครับข้อที่หนึ่งครับคุณยายสวดมนต์คนเดียวแต่หลานไม่ได้สวดครับไม่ว่างอย่างผมใช้งาน iPad อยู่จัดยายอยู่อื่นๆด้วยแต่ผมอยู่ด้วยกันถามว่าบาปไหมครับออบาปไม่บาปหรอกเพียงแต่ไม่ได้บุญเหมือนคุณยายคุณยา ย, ย, ายสวดมนต์นี่ได้บุญเพราะคุณยายมันนอนเจริญสติ ธรรมานสติบทส่วนมนก็คือธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าส่วนปใจก็จะได้สติได้ความเย็นได้ความสงบส่วนเราท้ายใช้ iPad บางทีก็เครียดกับงานที่เรากำลังทำอยู่ได้ความทุกข์ต่างกันข้อที่สองครับผมจะเอาทางโลกก่อนแล้วค่อยเอาทางธรรมได้ไหมครับเพราะจำเป็นผมเล่นดนตรีไทยธรรมหากินครับ ไม่มีใครบังคับมันจะเอาทางไหนก่อนแต่คุณต้องคิดว่าคุณจะมีอะไรมาการันตีมารับรองว่าคุณจะอยู่ไปได้กี่ปีคุณต้องคิดทำไมคนต้องซื้อประกันชีวิตกันเพราะเขาไม่แน่ใจว่าเขาชีวิตเขาจะอยู่ไปถึงเมื่อไหร่เขาเลยซื้อประกันเผื่ออาไว้เผื่อเขาตายไปลูกลูกลูกเมียก็ยังจะได้มีเงินเลี้ยงดูเขต่อไปได้คุณไม่คิดถึงเรื่องเหล่านี้บ้างไหอว่าชีวิตของคุณนี้จะเป็นไปตามที่คุณวางแผนไว้หรือเปล่า ถ้าคุณว่าเอาทังโลกเอาทั้งโลกก่อนแล้วถ้าเกิดคุณตายก่อนที่คุณจะมาทางธรรมคุณก็เสียโอกาสอันอเลิศอันประเสริฐโอกาสทองชีวิตอย่างนี้นานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งนะการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์แลได้มาเจอกับพระพุทธศาสนาเนี่ยถ้าไม <allows. S 2> ่มีพระพุทธศาสนาก็เหมือนกับไม่มีแผนที่นําทางมาเกิดก็ไม่รู้จะไปทิศทางไหนกัน แต่ถ้ามามีเจพพ้พระพุทธศาสนาพระศาสนาจะบอกทางให้เราแต่ว่าเราคนจะเดินทางไปเกันทางไหนกันไปสู่การยุติการเวียนว่ายตายเกิดนั่นไปสู่การหยุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงแล้วถ้าตายจากพบนี้ไปแล้วชาติหน้ากลับมาอาจจะไม่ได้เจอศาสนาต่อไปเลยก็ได้อาจจะอีกหลายกลับหลายการอาจจะเป็นรอเจอจังหวะของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์อื่นต่อไปก็ได้ ไม่มีใครแล้วทำไมชีวิตต้องมีความผิดหวังด้วยครับเพราะเราหวัง่เองถ้าเราไม่หวังมันก็ไม่ผิดหวังเลยใช่ไหมคุณหมอเราอย่าไม่หวังอะไรเลยไม่คุณหมอจะผิดหวังไหมนี่หวังกันนี่ยหวังเอาเปอยากจะได้อย่างนั้นอยากจะได้อย่างนี้เพราะไม่ได้มันก็ผิดหวังเลยอย่าไม่หวังสิง่ายๆคําตอบมันเห็นชัดๆอยู่แล้วไม่น่าจะถามเลย โยมทําบุญทางออนไลน์กับทางวัดต่างๆที่มีกิ จ, จกรรมบุญของทางวัดแต่ทําครั้งละ5บาท10บาท20บาทและทําหลายวัดรวมกันก็หลายบาททําบุญตามกําลังศรัทธาเช่นนี้ถือเป็นการทําบุญที่ถูกใช่ไหมครับหากทาเยอะทําเกินกําลังแบบเทนตะตักก็อาจไม่สบายใจนะักเน้นทําตามกําลังน่าจะดีที่สุดสบายใจสุดทำหลายหลายวัดทำหลายหลายครั้งก็มากเงินเช่นกันเพศคารวะต้องใช้เงินในการต้องอยังชีพ จึงต้องจัดสรรปันส่วนในการทําบุญโยมคิดเช่นนี้ถูกไหมครับก็แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเททําบุญมากกว่าก็ได้แล้วแต่อันนี้ไม่มีใครบังคับเป็นเรื่องของศรัทธาอย่างที่โยมบอกทําน้อยก็ได้น้อยคือสงบง่ายๆทําทน้อยก็ได้น้อยทำมากก็ได้มากเหมือนปลูกข้าวยมปลูกข้าวไร่หนึ่งกับค่อยๆเขาปลูกข้าวสิบไร่ เวลาเก็บเกี่ยวข้าวใครจะได้มากกว่ากันพระเวสสันดร น, นี่ทำเท่าไหร่ท่านทำหมดเลยหน้าตัไม่ได้เ่เทหมดเลยพอท่านกลับมาเกิดมาก็มาเป็นเจ้าชายสิทธัอจเจ้าอย่างนี้ใชยไหมเชื่อเปล่าว่าเ ท, ทหมดหน้าตัางรสชาติหน้ากลับมาจะเ ก, กิดเป็นลูกเศรษฐีลูกออกมาเศรษฐี ใจไม่นิ่งเลยครับจะทํายังไงให้ใจนิ่งสงบไม่คิดมากครับไม่มีสติต้องเจริญสติเช่นพูดทางไมสติให้เราเลือกถึงพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธไปทั้งวันเวลาที่เราไม่ต้องคิดอะไรอย่าปล่อยให้มันคิดให้มาคิดพุทโธแทนเวลาต้องคิดเวลาทํางานต้องคิดก็คิดไปกับงานพอไม่ต้องคิดกับงานก็อย่าปล่อยมันคิดหยุดมันด้วยการคิดบริกรรมพุทโธพุทโธไปภายในใจ สามารถทำได้ตั้งแต่เริ่มตาขึ้นมาเลยเริมตาขึ้นมาก่อนจะทำอะไรก็เริ่มต้นพุโทโธก่อนเลยสกัดการความคิดตั้งแต่เราเริมตาขึ้นมาไปอาบน้ํานั่งหน้าแปลงควันแล้วก็พุโทโธไปแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารก็พุโทโธไปเดินทางไปทํางานก็พุโทโธไปจนก่อจะไปถึงที่ทํางานแล้วต้องใช้ความคิดกับการทํางานแล้วค่อย ห, หยุดพุดโทโธไว้ชั่วคราวก่อนพอเสร็จงานก็กลับมาพุโทโธเลยอย่าเปิดช่องให้อาจิเนมไม่เปื่ย ที่ไม่จําเป็นจะต้องคิดถ้าชาติหน้าไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์จะได้เกิดเป็นอะไรครับเราได้เกิดทุกคนเพียงแต่ต้องรอรอไปรับผลบุญผลบาปก่อนเท่านั้นเองเคยต้องเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยก็เรียกว่าเปรตถ้าทําบาปเนี่ยถ้าได้เป็นดวงวิญญาณที่มีความสุขก็เป็นเทวดาไปสวรรค์จนกว่บุญหรือบาป ท, ที่เราทํานี้มัน มีกำลังเท่ากันมันก็จะนั่มันก็จะให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์ตายแล้วเกิดทันทีจริงไหมครับคาว่าเกิดมันมีหลายหลายความหมายถ้าเกิดเป็นมนุษย์นี่ไม่ทันทีแต่ถ้าเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นเปตนี่ทันที คุณแคทครับช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีต้องรัดเข็มขัดอยากสร้างความคิดเห็นในการทําทานในสภาวะเช่นนี้ครับก็ต้องดูฐานะของเราถ้าเรายังไม่มีเงินทําบุญทําทานเราก็ต้องระงับไว้ก่อนเป็นเรื่องเป็นเรื่องอธรรมดาเราต้องดูแลร่างกายของเราก่อนชีวิตชอเราก่อนให้อยู่รอดให้ได้ก่อนแล้วพอเรามีเงินเหนือเฟือ่อแล้วค่อยเอาไปทําบุญทําทาน ถ้าสวดมนต์แบบคริสต์นะคะเพราะว่าเป็นคาทอลิกครับอย่างนี้สามารถที่จะแผ่เมตตาอุทิศสุขกุศลได้ไหมครับคือการแผ่เมตตาเนี่ยต้องแผ่ด้วยการกระทําไม่ใช่การแผ่ด้วยการสวดต้องเวลาเราพบปะกันแล้วเราให้ความเมตตาต่อกันคำว่าเมตตาก็คือความเป็นมิตรภาพนี่ความเป็นมิตรกันถ้าโกรธเขาก็ให้อภัยเขาแล้วก็ทำอะไรเสียหายแล้วกโกรธเขาเราก็ให้อภัยเขานีา่เมตตา ถ้าเขาเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือเราก็ช่วยเขาเองเป็นความเมตตาถ้าเรามีเงินเหนือเฟื่องอยากย้ยก็มีความสุขก็แบ่งให้เขาใช้บ้างอันนี้เมตตามไม่ใช่มานั่งสวดไม้แต่จะสวดแบบพูดหรือสวดแบบคลียร์ก็เหมือนกันการสวดไม่ได้เป็นการแผ่เมตตาเป็นการเตือนสติเป็นการสอนใจให้รู้จักวิธีแผ่เมตตาหรือเป็นวิธีทําใจให้มีสติใ ห, ให้ใจสงบ เรียกว่าเป็นการภาวนาเช่นเราสวดบทเมตตาภาวนานี้แล้วเราก็ใช้แทนพุโทโธได้ในการสวดบทแผ่เมตตาก็จะทําใจให้เราสงบได้ในระดับหนึ่งแล้วอย่างนี้สวดแบบคริสต์ก็ทําให้ใจสงบได้เหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย์ก็สังเกตดู <c oughs> <ๆ>เรถอะว่าเข า, เขาสวดอะไรมันก็ต้องบางทีสวดแล้วมันอาจจะทําให้ใจไม่สงบก็ได้แล้วแต่ว่าบทที่สวด น, นั่นมัน มันมีความหมายอย่างไรครับถ้าไม่ได้สวดมนต์แต่ระลึกถึงพระรัตนตรัยเสมอเน้นฟังเทศและถือศีลจะเข้าถึงธรรมได้ไหมครับครับเราถึงพระรัตนตรัยเสมอนี่ห ม, มายถึงยังไงวันละกี่ครั้งวันละสองสามครั้งหรือว่าถ้าจะให้มันเราเึกถึงพระรัตนตรัยเสมอนี่มันต้องเกือบทุกลมหายใจเข้าออกนะ เถึงจะเรียกว่าเสมอพุโทโธธรรมโอสังโฆไปในใ จ, จยอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยไม่ไม่ปล่อยให้ว่างเว้นไม่ปล่อยให้จิตไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้จะมีโอกาสเข้าถึงทำได้แต่ถ้าทําวันละสองสามครั้งเชา้ากลางวัเวนเย็นอย่างเงี้ยไม่ไม่มีหรอกไม่ไม่มีทางที่จะเข้าถึงทำได้เพราะเวลาอื่นกิเลสเรเาไปกินหมดจะไปคิดถึงเรื่องลอบกนลดงเสียมากกว่าทีเราคิดถึงพระรัตนนาตายเพื่อระงับความคิด ที่อยากคิดไปในทางลโลบกรธโหยงนั่นเองแล้วมันจะทําให้ใจเราสงบพอใจเราสงบแล้วก็จะเห็นธรรมขึ้นมาลถแห่งธรรมชนะลดทั้งปวงมันจะประกอบขึ้นมาขอไปนะครับอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเข้าถึงธรรมแบบเราเรือ่อนถึงมาตรฐานตายต้องเราเลืกอนถึงทั้งวันทั้งคืนยกเว้เวลาหลับ เลยเกิดมกระพุทธโตตามโมสังโกหรือพุทธังสนานังกชามิธรรมังสนานังกชามิสามังสนานังกชามิไปไไเรื่อยๆจะอยูุ่ด่วเฉพาะเวลาที่เราต้องคิดอย่างนั้นเรื่องงานเรื่องการนรื่อที่ยังเป็นนะถ้าไม่มีการจะเป็นก็คิดแต่ว่าพุทธทำประสงค์ไปเรื่อยๆอย่างนี้จะมีโอกาสทําจิตให้นิ่งให้สงบเป็นสมาธิขึ้นมาได้ก็จะเข้าถึงถักขั้นแรกก็คือส ม, มะถะธรรมเข้าถึงความสงบ ซือเป็นรถแข่งทมที่ชนะรถทั้งปวงลูกที่ต่อว่าแม่เป็นประจาอย่างนี้ลูกบาปไหมครับก็เป็นวรจารที่ไม่เหมาะสมก็ว่าเรียกวามบาปไา้แต่จะบาปหนักหรือบาปเบาเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะเป็นลูกไว้คนที่จะไปทํตำหนิ มันคือไม่ควร right wow, จะตำหนิใครเลยโดยเฉพาะพ่อแม่ผ like ู้มีพระคุณนี้ยิ่งไม่ไม่ควรจะตำหนิท่านใหญ่นอกจากว่าเรามีความจําเป็นจะต้องบอกท่านก็าขออนุญาตก่อนขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ก่อนว่าสิ่ที่หนูจะพูดนี่อาจจะทําให้คุณพ่อคุณแม่ไม่สบายใจอาจารย์อนุญาตให้หนูพูดไหมถ้าไม่อนุญาตก็ไม่ต้องพูด การทำบุญทำได้สิบวิธีบุญกิริยาสิบบุญไหนได้บุญที่สุดครับมันไม่ได้มีบุญไหนมันที่สุดหรอกมันมีแต่ละบุญมันก็เป็นมีความมีความพิเศษของมันถ้าจะถามว่าบุญไหนในสิบอันนี้นี่เป็นบุญที่มากที่สุดก็คือแต่มันยากที่สุดนะก็คือการมีความเห็นที่ถูกต้องอคือมีปัญญาเห็นอลีย้ยงสัตว์สีเห็นตายับ เห็นแค่นี้ก็จะทําให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้นะถ้ามีเห็นควาเห็นแค่สองอย่างนี้เห็นตายละเห็นอ น, นิยัสสัตสีเห็นสภาวะธรรมทั้งปวงว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่จะเห็นอั น, นิจจังมันก็ต้องอาศัยการการศึกษาธรรมการฟังเทศฟังธรรมแล้วก็การไปภาวนาการภาวนาก็ต้องต้องมีอาศัยศีลเป็นเครื่องสนับสนุนหนึ่ แล้วกาจะทํำการจะมีศีลได้ก็ต้องเป็นต้องอาศัยทานเป็นเครื่องสนับสนุนให้ใจเป็นใจบุญสุนทานก่อนเนี่มันธรรมะมันมันมันพันกันน่ะฉันจะถามว่าอันไหนมันเป็น่าที่สุดก็คือปัญญาเนี่ยปัญญาที่ได้จากการมีความเห็นที่ถูกต้องสัมมาทิฏฐินี่ยคือปัญญาแต่จะได้อันนี้มันไม่ใช่ของง่ายๆมันไม่ก็าจจะได้เหรียญทองโอลิมปิกเนี่ย คุณก็ตั้งแต่เต้าเป็นตั้งแต่เรียนตั้งแต่ระดับโรงเรียนที่คุณเรียนอยู่ก่อนเอาชนะระดับมัธยมระดับะระดับจังหวัดระดับประเทศระดับอะไรขึ้นไปไล่ขึ้นไปเรื่อยๆก่อนกว่าจะไปถึงขั้นโอลิมปิกได้อันนี้ก็เหมือนงานบุลสิบนี่ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นบุญที่เราต้องไต่เต้าขึ้นไปเป็นขั้นๆไปถ้าเรานั่งสมาธิแล้วจิตไม่นิ่งอย่างนี้แปลว่าเรามีบาป ใช่ไหมครับแปลว่าไม่มีสติไม่ใช่ไม่มี ม, ม, มีบาสติเรามีกําลังน้อยถ้าเป็นรถเหมือนกับมีเบรกเบรกไม่ดีเหยียบเบรกแล้วรถไม่ยอมจอดต้องไปเข้าอูไปติ่มเบรกไ่เบรกก็คือสติที่จะเบรกใจเราเรามีสติไม่พอที่จะหยุดความคิดต่างๆได้นั่งแล้วมันก็เลยไม่สงบ <c oughs> มีอาการคัดจมูกเรื้อรังและในสัปดาห์นี้มีอาการหูอื้อเพื่อนผมมีอาการคล้ายกันไปตรวจพบมะเร็งหลังโพรงจมูกซึ่งได้ทําการรักษาฉายแสงเพื่อนเล่าว่าทรมานมากหลังทําแล้วก็มีผลข้างเคียงการรักษาผมวิตกกังวลมากกลัวไปตรวจแล้วจะพบเหมือนเพื่อนจึงยังไม่กล้าไปตรวจคนในบ้านแนะนําให้ไปพบจิตแพทย์แต่ผมอยากได้ธรรมะจากพระอาจารย์ในการรักษาการวิตกกังวลซึ่งเป็นมากครับขอคำแนะนำพระอาจารย์ครับ วิธีจะทําให้ความวิตกกังวลหายไปก็คือยอมรับความจริงพระเจ้าสอนให้เราคิดอยู่เรื่อยว่าเกิดมาแล้วต้องแก่เจ็บตายด้วยกันทุกคนนีไม่พ้นช้าแล้วเร็วแบบไหนท่า น, นที่แตกต่างกันดังนั้นที่สก็ต้องเจอเหมือนกันเจอความแก่เจอความเจ็บคไายได้ป่วยเจอความตายถ้าไม่อยากจะวิตกกังวลก็ยอมรับความจริงกันเสียยอมแก่ยอมเจ็บยอมตาย ให้เงินคนไปกินข้าวครับแต่เขาเอาไปเสพยาอย่างนี้เราคนให้เป็นบาปไหมครับไม่บาปเลยเพราะเราไม่รู้ถ้าเรารู้รก็อย่าให้เขาถ้าเรารู้แล้วให้เขาก็เป็นการสนับสนุนให้เขาไปทําทําทําร้ายตัวเขาเองไม่ได้ทําประโยชน์ให้กับตัวเขาถ้าเขามาของของเองินไปกินข้าวแล้วก็พาเขาไปกินข้าวไปซื้อข้าวเขากินนะอย่างนี้เราก็จะได้บุญแล้วก็ จะทำให้เขาได้ประโยชน์จากการทำมุญของเราด้วยทำภาวนาแบบบริกรรมพุทโธกับแบบอานาปานาสติจะได้ผลรับต่างกันไหมครับไม่ต่างกันเได้ถ้ามีสติดังจิตก็จะรวมเป็นอ ป, ปนานสมาธิได้เป็นคณิกาสมาธิได้ การที่เราปฏิบัติธรรมบ่อยจะได้รับผลบุญระดับไหนครับก็อยู่ว่าทําที่เราปฏิบัติมันอยู่ระดับไหนนะธรามันมีหลายระดับระดับทานระดับศีลระดับสมาธิระดับปัญญามันก็ต่างกันไปทำทานก็เราก็จะรับทําในระดับสวรรค์ตายไปเราก็ได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆรักษาศีลได้แล้วก็ปิดประตูบายได้ไม่ต้องไปเกิดในบาย นั่งสมาธิได้แล้วก็ไปสู่พรมโลกได้จารย์รปัญญาแล้วก็ไปเป็นพระอนิยมบุคคลได้ทําแต่ละขั้นมันมีอั น, นิสงส์ต่างกันไปสมาธิกับสติอย่างไหนสําคัญกว่ากันครับเพราะสติเพราะสติเป็นเหตุที่ทําให้เกิดสมาธิถ้าไม่มีสติก็ไม่สมาธิก็เกิดขึ้นไม่ได้ เหมือนกับพวกเราถ้าไม่มีพ่อมีแม่เราพวกเราก็เกิดมาไม่ได้ต้องมีพ่อมีแม่ก่อนเราถึงจะเกิดมาได้ามาลาที่จะเกิดได้ก็ต้องมีสติก่อนพอตายแล้วรับบาปก่อนหรือรับบุญก่อนครับถ้าบาปมากกว่าก็รับบาปก่อนถ้าบุญมากกว่าก็รับบุญก่อน ทำยังไงให้อยู่กับโรคภัยได้ด้วยความสุขครับยอมรับอย่าไปปฏิเสธมันอย่าไปรังเกียจมันยินดีต้านรับเขียนป้ายไ่ายินดีต้านรับเธอเสมอ ร, รอเธออยู่ตรงนั้นถ้าเพิ่งมาหรืออ๋อคิดถึงเธอแล้วเกินดีใจที่ได้พบเธออย่างเงี้ยถ้าเราทําใจนี้ได้แล้วเราจะไม่ทุกขนะ์กับมันพูดง่ายจะทํำยาก อาจารย์ครับการทอดกระถิ่นไม่ใช่เรื่องของคารวาชใช่ไหมครับเรื่องของคารวาชไม่ใช่เรื่องของผ <c oughs> ้าตอนจริงก็คือการถวายผ้าให้ผ้าไปตันเย็บเป็นจีวรนั่นเนองเพราะมียุคสมัยที่พระเจ้าทรงประกาศพระาศาสนาใหม่ๆนี่มีผ้ามาบวชกันมากแล้วเมื่อก่อนผ้าก็อาศัยการไปเก็บผ้า ท, ที่เขาหอ่อศพที่ไว้ในป่าช้ามาทําเป็นผ้าจีวร ทีนี้ามาบวมมากมขึ้นผ้าผ้าที่ขอสมมันขาดตลาดไม่พอผ้าผ้าเราไม่มีผ้าหลายผื้นที่ไว้คอยเปลี่ยนเวลาเปียกฝนพระเจ้าเห็นมีผ้ากิ่วกลุ่มหนึ่งเดินทางมากราบระหว่างทางไปเจอฝนเข้าเปียกปอนทั้งตัวเวลาเข้าเฝ้าก็ไม่มีผ้าเปลี่ยนพระเจ้าก็เลยเห็นความเห็นปัญหาของพระว่าตอนนี้ผ้าขาดแคลน แล้วก็ไม่มีใครบอกไม่มีใครบอกญาติโยมญาติโยมก็ไม่รู้ธรรมเนียมของพระต้องเจะหาผ้าคิดว่าธรรมเนียมของพระคือหาผ้าเองไปเก็บผ้าในป่าช้าก็เลยไม่มีธรรมเนียมถวายผ้าให้กับพระโดยกรทั่งพระเจ้าบอกให้ตอนนี้มันขาดตลาดแล้วผ้าบางสกุลนั้นไม่พอใช้ละก็ให้ญาติโยมถวายผ้าให้กับพระภิกษุที่ขาดแคลนแต่ให้ถวายปีละครั้งก็พอ กฐินนี่ค็ใหถวายได้ปีละครั้งนั่นเองที่มาของกฐินเพราะมันผ้าที่บางสกุลมันขาดไงผ้าป่ามันขาดไม่พอเพียงต่อความต้องการของผ้าภิกษุก็เลยพระพุทธเจ้าเลยต้องให้เอาผ้ากฐินมาเสริมอยให้ถวายครั้งเดียววันหนึ่งนี่ถ้า้รับได้ครั้งเดียวก็พอการทําทานที่ใช้เงินดูจะเป็นการทําบุญที่ง่ายที่สุดเพราะเงินก็มี มีก็ใช้ทาทาทานมีบุญที่ทำได้ยากกว่าการใช้เงินและได้บุญเยอะไหมครับนั่งรักษาศีลก็เป็นบุญนั่งสมาธิก็เป็นบุญทำใจให้มีสมาทิฏฐิก็เป็นบุญถ้านั่งสมาธิแต่จิตไม่นิ่งอย่างนี้เป็นบาปไหมครับอันนี้ถามแล้วเนมะื่อกี้ถามทีนะไม่บาปหรอกมันไม่มีสติอะไรอย่างนมัน มันไม่ได้บุญมันไม่ได้ความสงบมันได้ความพุ้งร่านแทนทําบุญเพราะอยากขึ้นสวรรค์อย่างนี้ถือว่าเป็นโลภะไหมครับเป็นโลภะที่ดีไปสวรรค์ดีกว่าไปนรกนะคุณอยากจะติดคุกนู่นอีกคุณอยากจะไปเที่ยวทำเที่ยวถ้าคนเขาตอนนี้เข้ามาออฟเฟอร์มีตั๋วไปเที่ยวโตวเกียวกับ ม, มีมีตั๋วให้ไปอยู่ในคุบนี่คนจะเรือกราวันไหน อยากทราบว่าสวดมนต์ทุกวันต้องสมาทานศีลและไตรสน า, นาคมทุกครั้งไหมครับไม่คนละเรื่องกันการสวดมันไมไ่เกี่ยวกับการสมาทานศีลและไตรสนาคมศีลก็คือการรักษาเราเป็นการ ก, กระทั่บาปถ้าเราไม่อยากจะทำบาปเราก็ต้องสมาทานศีลแล้วถ้าเราอยากจะถือพระพุทธธรรมผสมเป็นพระรัตนนาฏายเราก็ต้องเราก็ต้องเข้าถึงพระรัตนนาายด้วยการเก่า จะพุทธังธรรมังสังฆังสานังกชามิข้าพเจ้าขอถือพระพุทธธรรมวสุปเป็นครูเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้านับแต่บัด น, นี้ไปทำบุนเดียวก็พอเสียงสมาทานครังเดียวก็พอท า, านสินชากรักษาไปจนกว่าเราจะเลิกรักษาแล้วกลับมารักษาใหม่ก็ามาสมาทานใหม่ทําบุญเยอะๆบังเอิญไปตกนรก ผลบุญจะทําให้เราสบายในยนรกไหมครับไม่หรอกนรกก็เป็นนรกผลบุญจะทําให้เราสบายตอนที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์นียหรือตอนที่บุญนี้มีกําลังมากกว่าบาปมันก็จะดึงเราออกจากนรกเราไปอยู่สวรรค์แทนแต่ถ้ามันรอให้ผลบาปมันน้อยมันมีกําลังน้อยกว่าผลบุญก่อนผลบุญถึงจะแสดงผลได้ ทำภาวนาสมาธิจิตชอบระลึกถึงแต่เรื่องเก่าๆที่นานมาแล้วตั้งแต่3า4สบปีจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับก็ต้องเจริญสติให้มากขึ้นสติเราอ่อนมากไม่สามารถกำกับใจให้อยู่กับกรรมฐานที่จะผูกใจให้เราไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้เวลานั่งสมาธิเราต้องมีอะไรผูกใจไว้เราเรียกว่ากรรมฐานคืออารมณ์เช่นพุทโธพุทโธหรือการดูลมหายใจเข้าไม่ใช่นั่งเฉย ถ้าเราเฉยๆเดี๋ยวใจมันก็ไปคิดเรื่องทั้นเรื่องนี้ถ้าเราไม่อยากมันไปคิดเรื่องนั้นเรงนี้เราต้องมีสติหนึงใจให้อยู่กับกรรมฐ า, านได้การอยากมีสติได้ก็เราต้องฝึกสติก่อนมานั่งไม่ใช่มาฝึกตอนที่เรานั่งมันไม่พอกําลังมันจะไม่พอทําไมมนุษย์ต้องเรียกร้องหาความเท่าเทียมกันต่างๆที่ธรรมชาติกำหนดให้ทุกสิ่งในโลกไม่เหมือนกันครับ กวดิเรนความอยากของมนุษย์อยากจะมีความสุขเหมือนคนอื่นเห็นเขามีความสุขเราก็อยากจะมีเหมือนเขาแต่ไม่ดูศักยภาพของเราดูความสามารถของเราว่าเราสามารถทําได้หรือไม่เมื่อเราทําเองไม่ได้เราก็เรียกร้ององค์กรต่างๆมาช่วยองค์งกรนู่นองค์กรนี่สร้างกฎสร้างระเบียบสร้างกฎหมายขึ้นมาซึ่งมันมั น, ม, นมันไม่มได้เป็นไปตามกฎของธรรมชาติกฎ ข, ของธรรมชาติก็คือกฎแห่งกรรม ทำดีมากดีน้อยมันไม่เท่ากันผลมันก็ไม่เท่ากันความสุขก็ไม่เท่ากันการรับโมฟีนจนสิ้นใจไปดีหรือไม่กับการที่รับเพียงครึ่งเดียวให้รับรู้ถึงความเจ็บปวดครึ่งหนึ่งที่ยังพอสติพร้อมกับสิ้นใจอย่างไหนดีกว่ากันครับอยู่ที่เจตนาว่าเราต้องการให้มันตายหรือเปล่าถ้าใมันตายก็ถือว่าเป็นการข้าตัวตายไม่ควรจะทํา แ่ถ้ารับมันเพื่อรับความเจ็บปวดหลาไม่ได้ทําให้ถึงกับร่างกายตายไปอันนี้ก็ก็ก็เป็นการใช้ยาเป็นก า, การกินยาแก้ปวดน่าจะเพิ่งเข้ามาดูนะคะอาจารย์ถามว่าชาติหน้าโลกหน้ามีจริงไหมครับต้กลับไปดูย้อหนหลังตอนเริ่มต้นะมีจริงตอบสั้นๆก็มีจริงรงานโลกสวรรค์มีจริง ตายไปแล้วก่อนจะไปเกิดใหม่เนี่อาจจะต้องไปไปนรกก่อนแล้วไปสวรรค์ก่อนแล้วค่อยไปเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปอรอบหนึงถ้าเราถวายปัติหารอุทิศถึงคนที่ล่วงลับไปแล้วโดยใช้จิตไม่ได้กรวดน้ําอย่างนี้เขาได้รับบุญไหมครับได้การกรวดน้ำที่แท้จริงก็ต้องใช้จิต น, นี่แหละไม่ใช่ใช้น้ําน้ำเป็นเพียงแต่ตัวสาธิตให้เราเป็นตัวอย่างว่าบุญที่เราทํำนี่เหมือนน้ํา ที่เราเทออกจากใจเราไปสู่อีกใจหนึ่งส่งไปเทน้ำจากภาชนะหนึ่งไปสู่อีกภาชนะหนึ่งเอาน้ำมาเป็นตัวอย่างของบุญเมื่อจะมีญาติกาลังใกล้จะสิ้นใจเราเปิดเสียงสวดมนต์จะรบกวนจิตของท่านหรือไม่ครับถามว่อดู่แต่ก็ต้องงานทางเลยไม่ เวลาเดินไปไหนไหนท่องสัมมาอารหังได้ไหมครับได้แทนพุโทโธได้สัมมาหลังก็ได้พุโทโธก็ได้ตายก็ได้แก่มานล้ต้องตายเป็นธรรมดาก็ได้กรรมฐานเหล่านี้เป็นกรรมฐานที่จะทำให้ใจสงบได้ทําธุรกิจครับขายไก่เป็นๆทาแทนพ่อแม่อย่างนี้ต้องรับกรรมด้วยไหมครับแม้จะทําบุญเยอะๆครับ ถ้าเราไปสั่งไก่ให้เขาค้าให้เรานีิก็าบาท <Yeah. S 1> แต่ถ้าเราไปซื้อไก่ที่ตายแล้วม า, มาขายนี่ไม่บาปงั้นเราไปกวาดซื้อไก่ดีกว่าวันวนหนึ่งอย่าไปสั่งเขาโล่งหน้าออพรุ่งนี้ของไก่สิธ์ตัวแทนที่ไปสั่งแล้วก็ไปซื้อตามร้านที่เขามีขาย ข, ายของตายอยู่แล้วโดยที่มันเอาไปสั่งเขาถึงแม้เขาจะจําหน้าเราได้เห็นเรามาซื้อทุกวันแล้วเขาไปค้ายอย่างนนี้ก็ไม่ใช่เรื่องของเราเราก็ยังไม่บาป mm hmm. เ, เพราะเราไม่ได้สั่งเขาให้ทําให้กับเรา ค่าให้ค่าให้เราอย่างคนนี้เขาเป็นคนขายไก่ได้ไหมครับอาจารย์คือขายไก่แต่ไม่ได้ค่าไก่ขายไก่ก็ก็เป็นอาชีพที่ไม่ไม่ไม่ควรจะทําเพราะว่าเป็นการส่งเสริมการฆ่ากันแล้วขายไก่ไปเขาก็จะเอาไปฆ่ากินอนาคตของเราต่อไปล่าจะกลายเป็นไก่ให้มีใครก็มาขายเราไง อย่าไปทําอะไรที่มันทําให้ผู้อื่นก็เสียหายเดือดร้อนถึงแม้ดั้นแม้เราไม่ทําโดยตรงก็ตามแต่มันก็เป็นมีส่วนแค่อาชีพที่ไม่นควรจะทําทก็คือเช่นขายพวกเบ็ดพวกครับ้เครื่องที่ใช้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตต่างๆพื้นฐานหน้าไมเา้เบ็ดเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็ไม่ควรขายพวกยาเสพติดพวกสุรายาเมาสุรายาเมาเพราะจะส่งเสริมให้คนเสพอบายมุข อยาาเกิดความเสียหายตามม า, อ ย, าอย่าขายยาพิษสารพิษต่างๆที่จะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตได้ mm hmm. เป็นอาชีพที่ไม่ควรทำสำหรับคนที่เป็นชาวพุทธผู้มีความเ ม, มตตาต่อสัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงถ้าเราเจ็บป่วยการนั่งสมาธิภาวนาจะมีกำลังน้อยกว่าคนปกติขอกำลังใจจากพระอาจารย์ด้วยครับ เกำลังองสมาธินี้มันอยู่ที่การฝึกฝนอบล ม, ลมถ้าเรามีแล้วเราพยายามฝึกฝนอบรมให้มัน ม, มีมากได้แล้วเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็สามารถนั่งสมาธิได้อย่างสบายมันก็นเราไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนการฝึกสมาธินี้มันจะทําให้เราสามารถฝึกสมาทําสมาธิได้ขนาดที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเราทําจชนชานาญนะ ก่อนจะเริ่มสวดมนต์ควรจะชุมนุมเทวดาไหมครับตามใจอันนี้เป็นเรื่องของเรื่องของพิธีกรรมเรื่องของความเชื่อแต่ส่วนหนเป้าหมายหลักที่แท้จริงก็คือเป็นการจเจริญสติให้เรามีสติไม่ให้คิดฟุง้งซ่านคิดถึงเรื่องราวต่างๆแล้อถ้าสวดแล้วเราเข้าใจบทที่สวดก็จะได้ปัญญาเหมือนกับฟังเทศไปในตัว ถ้าเราสวดบทธรรมจัตต์นี่เป็นตอนนั้นเราเข้าใจความหมายหรส่วนสติปัฏฐานสวดแล้วเราเข้าใจความหมายราเร า, เ า, า, มมาก็จะได้ปัญญาในความรู้จากการสวดวัดด้วยได้สติด้วยจิตใจมีกิเลสทาให้บางครั้งมีความเห็นในการพูดคุยกับเพื่อนที่ไม่ตรงกันมีกระทบกระทั่งกันบ้างตามผัสสะและกิเลสที่มากระทบบางครั้งเรื่องผิดใจกันอันเกิดจากกิเลสเอา ก็เป็นอนิจจังคือเป็นสิ่งที่เราบังคับไม่ให้เกิดไม่ได้โยมคิดอย่างนี้พอจะถูกต้องถูกทางหรือยังครับไม่ถูกหรอกเราป้องกันได้ก่อนที่เราพูดเราคิดก่อนเสียะคิดไปแล้วทําให้เกิดการเกิดการผิดผิดใจกันหรือไม่ถ้าผิดใจก็อย่าพูดแต่นั้นเองป้องกันได้ถ้าเป็นสิ่งเป็นเกิดขึ้นจากการกระทําของเรา สิ่ใดที่เราพูดก็ดีทำก็ดีนั่นทำให้พูดก็จะเสียหายเดือดร้อนแล้วก็อย่าไปทาอย่าไปพูดมันก็ไม่เกิดความเสียหายเดือดร้อนตามการอยู่ครองเรือนสามารถบรรลุพระโสดาบันได้ไหมครับโดยที่ปฏิบัติเองตามขั้นการบรรลุครับถ้ามีธรรมครบบริบูรณ์ที่จะทําให้บรรลุเป็นโสดาบันไดก้ก็บรรลุได้ไม่ว่าจะเป็นฆราวาสหรือเป็นพระถ้ามีศีลสมาธิปัญญาครบบริบูรณ์ มันก็สามารถบรรลุทำได้การเรียนพระอาจารย์สองข้อครับข้อที่หนึ่งครับจิตเห็นจิตเป็นอย่างไรครับก็จิตเห็นความคิดต่างๆที่มีในจิตเห็นกิเลสตัางาเห็นอารมณ์ต่างๆนี่คือจิตเห็นจิตข้อที่สองจิตเกิดดับตลอดเวลามีความหมายว่าอย่างไรครับคือจิตตัวจิตเองไม่เกิดดับตัวจิตไม่มีวันดับ สิี่จิตที่เกิดดับมันสิ่งที่มีอยู่ในจิตที่เรียกว่าอารมณ์ด้วยความคิดต่างๆเนี่ยคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้แล้วมันก็ดับไป ม, อมีอารมณ์นั้นอารมณ์นี้แล้วเดี๋ยมันก็ดับไปอันนี้คือ ก, การเกิดดับของจิตการสวดมนต์ต้องสวดกี่บทถึงจะพอครับสวนไปยังกว่าจิตจะสงบนะจิตสงบแล้วมีความสงบก็หยุดหยุดสวดได้ การขอให้คนที่ร้ายกับคนอื่นได้รับผลกรรมนั้นเร็วๆแบบนี้เราบาปไหมครับไม่บาปหรอกมันจะมันเป็นไปได้หรือไม่ได้มันไม่อยู่ที่การขอของเรามันอยู่ที่เหตุปัจจัยอย่างการปลูกข้าวปลูกข้าวแล้อยากจะให้มันออกรวงวันพรุ่งนี้มันก็เป็นไปไม่ได้มันก็ยอยขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยบางทีก็ออกช้าบางทีกออกเร็วขึ้นอยู่กับน้ําขึ้นอยู่กับแดดอะไรเป็นต้นที่มีปัจจัยที่เราไม่ควบคุมบังคับไม่ได้ เวลาที่เรานอนไม่หลับเลยนอนสวดมนต์ครับนอนสวดมนต์อย่างนี้เป็นบาปไหมครับไม่บาปถ้านอนนอนหลับทาให้หลับได้ก็ใช้ได้เป็นการเจริญสติหยุดความคิดต่างๆการที่เราตักบาตททำบุญเพื่อหวังผลจะได้บุญเยอะๆรวยชาติหน้าจะได้ไม่จนเหมือนชาตินี้เป็นการเจตนาหวังผลอยากได้บุญใช้ชาติหน้ากับเราให้คนอื่นเพราะสงสารไม่ได้หวังผลอะไรตอบแทน แบบนี้อย่างไหนได้บุญมากกว่ากันครับได้เท่ากันนะเพราะทําบุญแล้วมันก็ต้องได้อปนอนิสงส์เหมือนกันแม้ว่าเราจะทําเพราะเราอยากจะรวยแล้วไม่รวยถึงเวลามันก็รวยขึ้นมาถ้ามันมันเป็นเห็นการทําบุญทําทานเนี่ยมันทําให้เรารวยในชาติหน้าถ้าอยากได้ไม่อยากได้มันก็ก็ได้มันไม่ได้อยู่ที่ความอยากของเรามันอยู่ที่เหตุกับผลการทําทานนี่จะทําให้เรารวยในภพหน้าชาติหน้า ซื้อหุ้นในกิจการที่ฆ่ า, าสัตว์เช่นเป็ดไก่แบบนี้เราบาปด้วยไหมครับก็มันก็เราได้ผลประโยชน์เราก็น่าจะน่าจะบาปด้วยแะ่เราต้องเข้าใจสมัยนี้โลกมันพัวพันกันไปหมดคุณซื้อพุทธธนาคารธนาคารปล่อยกู้ให้บริษัทขายเหล้าบ้างบริษัทปล่อยคาสิโนโบ้างแล้วคุณจะทํายังไงคุณต้องเก็บเงินไว้ในบ้านนะครับน่ะต่อไปครับอย่าไปอย่าไปซื้อหุ้น นงานก็เก็กบกไว้ในบ้านซื้อตู้เชฟมาใบนึงในชีวิตนี้อย่างน้อยเมื่อตายหวังว่าจะได้อยู่ชั้นดุสิตครับรักษาสีลห้าได้แต่ยังไม่บรรลุพระโสดาบันอย่างนี้มีสิทธิ์ไหมครับต้องทําทานต้องทําบุญด้วยรักษาสี่งจะต้องทำบุญกากทําบุญ ต, ต้องเยอะๆเพราะสวรรค์จะมีหลายชั้นนตั้งแต่ชั้นดุสิตนึกถึงชั้นที่สี่และชั้นที่ห้า นั่นก็ต้องทำบุญมากขึ้นอยู่กับสัดส่วนทรัพย์สินของเราสมมติว่าเรามีสวรรย์หกชั้นใช่ไหมถ้าอยากจะได้ชั้นที่หนึ่งเราต้องทำบุญอย่างน้อยหนึ่งในหกของทรัพย์สินของเราไปบริจาคหนึ่งในหกถ้าเรามีกันหกล้านเราก็ต้องบริจาคไปล้านหนึ่งก็ได้ชั้นที่หนึ่งถ้าเราอยากได้ชั้นที่สองเราก็ต้องบริจาคสองล้านชั้นที่สามวสมล้านได้ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงชั้นที่หกก็บริจาคลงไปไ ป, ไปบวชเลยแล้วไม่บวชก็ได้ อยู่แบบคนอยู่แบบพอมีพอกินไม่อยู่แบบร่ำรวยเงินที่ที่เหลือนี่จะเอาเอาไปทําบุญให้หมดเลยเก็บไว้เพียงแต่พอเลี้ยงปาเลี้ยงท้องก็พออันนี้ก็จะได้สวรรค์ชั้นสูงสุดอย่างพระโสดาอาพระเวสสันนนเป็นต้นรู้สึกตายไปท่านก็ไปเกิดที่ชั้นสูงสุดของฐานของสวรรค์ก่อนที่จะกลับก่อนที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์พอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มันเป็นเจ้าชายศิทธิ์ถาเป็นพระราชกุมาเี่ นั่นโดยมหาศาลนี่อันนี้อยู่ที่ทรัพย์สินที่เราบริจาคไปว่ามันส่วนสัดส่วนเท่าไรกับของทรัพย์สินของเราถ้าหนึ่งในหกก็ได้ชั้นที้หนึ่งถ้าหกในหกก็ได้ชั้นที่หกเทวดานี้ไม่เกี่ยวกับอ่สมาธิเลยใช่ไหมครับอาจารย์ไม่เกี่ยวเกี่ยวกับรักษาศีลการทานถ้าจะเป็นพรหมนี่ต้องเกี่ยวนะ ถ้าเป็นพรอมนี่ต้องถือศีลแปดแล้วก็นั่งสมาธิให้จิตเข้าฌานให้ได้ก็มีชาญหนึ่งชานสองมก็มีแบบเป็นชั้นๆเหมือนกันตามฌานที่เราได้ตามสมาธิเราได้โยมีข้อรามครับถ้าเราตัดกระแสปฏิจจสมุมปปบาทช่วงแรกๆไม่ทันแต่ไปทันหลังจากเกิดเวทนาแล้วแบบนี้ถือว่าไม่มีกิเลสได้ไหมครับโยม ที่เราต้องตัดก็คือเวลาเกิดความอยาก น, นี่โดยความอยากนี้เป็นตัวที่สร้างความทุกข์เป็นตัวที่ทําให้เราต้องมางเห็นว่ายตาเกิดอยู่เรื่อยๆดงั้นถึงเวทนายังยังทันอยู่พอเกิดเวทนาเกิดสุกเวทนาอยากจะให้มันสุกเปน็นนานนี้ต้องอนนตัดนะตัดความอยากให้มันสุกเจอทุกขเวทนาอยากจะให้มันหายก็ต้องตัดมันนะอยากไปอยาก ปล่อยให้มันอยู่เป็นไปของมันตามธรรมชาติมันจะสุขก็ปล่อมันสุกไปมันจะทุกข์ก็ปล่อมันทุกข์ไปแล้วอย่าไปมีตัณหาความอยากกับมันเราก็จะตัดอุปาทานตัดภาวะตัดการเวียนว่ายตายเกิดได้ต้องตัดที่ตัวตัณหาความอยากการเจริญมรณานุสติต้องทําอย่างไรครับขึ้นเรื่อยๆเกิดมาแล้วต้งแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดา ล่วงหน้าความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ขึ้นอยู่บ่อยๆคิดอยู่เรื่อยๆเพื่อไม่ให้หลงแม่ลืมจนเรายอมรับความตายได้นิมิตบางอย่างสามารถบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ไหมครับเคยเห็นในประวัติหลวงปู่มั่นมีเรื่องนิมิตอยู่หลายเรื่องเหมือนกันถ้านิมิตนั้นสามารถบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าได้จริงเราจะมีวิธีแยกอย่างไรว่านิมิตไหนหลอกนิมิตไหนจริงครับอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ไม่ได้ศึกษาทางด้านนี้มาเพราะ ม, ม, มันไม่จำเป็นต่อาการกําจัดความทุกข์ให้หมดไปจากใจก็เลยไม่ได้สนใจที่จะศึกษาในโลกของดวงวิญญาณนารกและสวรรค์เป็นอย่างไรครับก็เหมือนตอนที่เรานอนหลับฝันไปไถ้าฝันดีก็เป็นสวรรค์ถ้าฝันร้ายก็เป็นนรก เวลานั่งสมาธิแล้วจิตกับร่างกายแยกออกจากกันจิตฟุ้งขึ้นไปข้างบนในความรู้สึกมีแต่จิตไม่มีร่างกายแต่จิตเบามากและมีความสุขมากๆในสมาธิเป็นความสุขที่ละเอียดมากๆไม่เจือด้วยอนิสงส์ใดๆ อ, อ, อ, อมิตรใดๆอยากทราบว่าคือสภาวะทมอะไรครับมันคือความสงบก็เป็นสมาธิเที่ยวดูการละเล่นในอบายามุขหก การไปดูคอนเสิร์ตจัดเป็นอบายามุขด้วยไหมครับเป็นนั้นนะถ้าเป็นความบันเทิงเป็นการเสพรูปเสียงกลิ่นรสก่อนเราเกิดเราจะเลือกแหล่งที่เกิดได้ไหมครับเช่นจะเกิดที่ไหนกับใครอะครับเราสามารถกําหนดเป็นแบบกว้างๆได้แต่เจาะจงไม่ได้ถ้าเรากําหนดไปสวรรค์ได้ถ้าเราทำบุญมากก็ทําทำบา ถ้าเราอยากจะบายอบายอยากจะไปเป็นเปรตเราก็กำหนดได้ทําบาปด้วยความโลภถ้าอยากจะไปเป็นในราชาก็ทําทบาปด้วยความหนงไม่เชื่อาบาปชื่อว่าเป็นการเลี้ยงชีพคนคนที่ทํามากินเลี้ยงชีพด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี้เขาคิดว่ามันเป็นความจําเป็นต้องเลี้ยงชีพเขาเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเขาไม่กลัวบุญก็บาปเพราะเขากลัวความอดตายใช่มากกว่า พวกนี้ก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้อยกจะเกิดสวรรค์ชั้นไหนก็สามารถเลือกชั้นได้อย่างที่เมื่อกี้พูดกับคุณอคบอก็ไม่จากมากน้อยาาตามสามตามลําดับไปครับแต่จะเป็นจัจอจงว่าไปเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ที่หน้าที่นี่มันจับจงไม่ได้นะครับทําบุญออนไลน์ทุกวันได้บุญเหมือนใส่บาตรทุกวันไหมครับเหมือนกันเหมือนกัน มีส่วนในการพิจารณาไม่ให้พนักงานทดลองงานผ่านงานเพราะผลงานไม่ผ่านอย่างนี้เราเป็นบาปไหมครับถ้าเป็นไปตามเหตุตามผลก็ไม่บาปเราตามหน้าที่แต่ถ้าทาด้วยความอคติก็ผ่านแต่เราไม่ให้ก็ผ่านเนีย่ยบาปครับเช่นมีนข่าวว่ามีคนหนึ่งสอบได้ที่หนึ่งได้บรรจุจะเข้าบรรจุ ง, งานพออยู่ดีเขาก็เลื่อจนจ้างขึ้นมาทันทีอ้างว่าที่เขาเรียนมาไม่ตรงกับงานที่เขาทา แต่เขาสอบผ่านเนี่ยสอบกันขั้นเลื่อนผ่านแต่คณะกำลับบงการที่ว่าจ้างนี่เขากลับมายกเลิกยกเลิกจ้างนีจ้างงานทั้งที่เขสอบได้ที่หนึ่งอันนี้ก็ไม่ทราบสาเหตุใจรู้เสมอว่าการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิทําให้ใจสงบมีสติแต่ติดที่ความขี้เกียจแบบนี้ถือว่ามีบาปไหมครับไม่มีหรอกมีแต่อุปสรรคเขาเรียกนิวรณ์ ควาขี้เกียจนี่เป็นนิวร์เนี่ยเราใช้ความขยันมาแก้วิธียาขยันง่ายนีเป็นความตายบ่อยๆเวลาอาจจะตายวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้ถ้าตายแล้วเราก็จะไม่มีโอกาสได้ทำบุญทำกุศลเลยคนรวยที่บริจาคเงินให้วัดครั้งละสิบล้านบาทกับคนจนที่ตัก บ, บาตรทุกวันได้บุญเท่ากันไหมครับก็อยู่สัดส่วนของเงินที่เขาบริจาคไปเท่ากันหรือเปล่า ถ้าคนจนใส่บาตรทุกวันแล้วเงินเท่าเท่ากับเงินที่เขาวริจาคกับคนที่มีเงินสิบล้านถ้ามันเท่ากันมันก็ได้บุญเท่ากันโดยอยู่ที่สัดส่วนของทรัพย์สินยของผู้บริจาคว่าเท่ากันหรือเปล่าไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขไม่มีเวลาปฏิบัติทั้งวันแต่พยายามเจริญพุทธานุสติทุกครั้งที่ระลึกได้อย่างนี้มีผลดีอย่างไรบ้างครับ ก็ดีก็ไม่ได้ไม่ได้ทำจะดีมากดีนะ้อยก็อยู่ที่เราทำมากทำน้อยเหมือนตักน้ำใส่ตุงอ่ะตัดตัดตัดเวลาที่เรานิกถึงมันไดน้แล้วก็ตัดน้าใส่ตุงทีครั้งนึ่งพอเรามืเราก็ไม่ได้ตัดเอาเป็นคนที่คอยตัดอยู่ตลอดเวลาคนไหนจะได้น้ำมากกว่ากันกราบถามว่าไม่ได้ใส่บาทแต่ชอบใส่กล่องตามที่บอกบุญไปได้ไหมครับ ไม่สร้างกล่องมะไรเลก็เลยมีคนเอากล่องมาให้ใส่เลยน่าจะเหมือนกล่องทาใส่เงินทำบุตรไหมครับอาจารย์ก็เหมือนกัะถ้าเราไปจายเงินไปในวิธีไหนก็ตามเราถึงว่าเราได้บุญเหมือนกันถ้าอยากรวยไวๆจะได้ไปบวชคิดแบบนี้เป็นกิเลสไหมครับเป็นไม่ต้องอยากจนมันถึงจะไปบวชจะดีกว่า พอจนแล้วมันไม่มีงานทำมันไม่เหมือมันไ ม, ม, นไ ม, ม, นไม่มันไม่มีที่ไปก็เลยไปบวชไปบวชแล้วเราก็จะได้มีเราก็มีที่อยู่ที่อยู่ฟรีกินฟรีมีเวลาให้ปฏิบัติธรรมได้อยา่างเต็มที่คนที่ไม่ค่อยฝันคือนานๆถึงจะมีฝันปีหนึ่งสักครั้งหนึ่งครับก็แสดงว่าจิตสงบมากเนี่ยคนนั่งสมาธิมากก็จะไม่ค่อยฝันยั้ไ เคยอธิษฐานว่าจะเลิกกินเนื้อสัตว์ตลอดชีวิตแล้วก็เลิกได้ประมาณแปดปีแต่ถ้าเผลอกินไปอย่างนี้จะเป็นบาปไหมครับกินก็ไม่บาปไม่กินก็ไม่บาปมือกันเพราะมันไม่ได้อยู่ที่กินหรือไม่กินมันอยู่ที่ฆ่าหรือไม่ฆ่าบาปอยู่ที่การฆ่าไม่ได้อยู่ที่การกินถ้าเรากินของที่ตายแล้วก็ไม่บาปแต่ถ้าเราฆ่าแล้ ว, พวเพื่อเอามากินนี่เราบาป จิตคือแหล่งรวมของตัวทุกข์แปลว่าจิตคือการหมุนของปฏิจจส ม, มุปบาทซึ่งต้องใช้อริยสัจสี่เป็นตัวทำลายถูกไหมครับถูกความทุกข์มันอยู่ในจิตจิตสร้างขึ้นมาก็ต้องใช้ปัญญาคือมาตัดตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจก็คือความอยากที่มีอยู่ในปฏิจจส ม, มุปบาทพอตัดความอยากแล้วความทุกข์ก็จะหายไป ไม่เข้าใจว่าเวลาสวดมนต์ทำวัดเช้าแปลตามเทปสวดได้จบหมดแต่ทําไมมาสวดมนต์แบบไม่เปิดเทปกลับสวดแปลไม่ได้ครับอาจารย์ไม่เข้าใจความหมายมันเอาอ่านใหม่เลไม่เข้าใจว่าเวลาสวดมนต์ทำวัดเช้าแปลตามเทปสวดได้จบหมดนะครับแต่ทําไมมาสวดมนต์แบบไม่เปิดเทปกลับสวดแปลไม่ได้ครับ ก็จาไม่ได้เลยพอมีมีมีมีให้มีคนมีเสียงเทปให้เราคอยคอยติดตามมันก็ช่วยกระตุ้นความจาของเราก็ได้พอไม่มีเสียงเทปมันก็เลยไม่มีอะไรกระตุ้นความจาของเราก็เลยเรื่อเรายังจาได้ไม่ดีพอเราต้องหัดท่องจาให้มากขึ้นไแต่กระทั่งมันจาได้่ดยที่ไม่ต้องอาศัยเสียงเทปมาคอยกระตุ้นความจาของเรา ทำบุญร้อยวันต้องทำบุญวัดเดียวกับที่ทำพิธีกรรมเผาไหมครับไม่หรอกทำที่ไหนก็ได้เมื่อก่อนไม่เคยทำบุญใส่บาตรเลยพอได้มาพบพระอาจารย์ก็ได้ลองปฏิบัติทำสวดมนต์ถือศีลห้านั่งสมาธิได้ทำบุญใส่บาตรเรื่อยๆก็รู้สึกว่าสบายใจขึ้นไม่ค่อยทุกข์ใจง่ายๆเหมือนก่อนครับ อ, อันนี้เล่าให้ฟังครับานะดีสาธุในการทำบุญจะช่วยกําจัดความทุกข์ได้ ตามาหนักตามกําลังของบุญที่เราทําลูกชายออกรถยนต์ใหม่ไม่เชื่อในการเจิมรถเพื่อเป็นสิริมงคลพอออกมาสองเดือนกว่ารถเฉี่ยวชนไปสองครั้งครับอาจารย์มันเป็นเรื่องของการเป็นกฎของตายหนัดมากกว่าการเฉี่ยวชนอุบัติเหตุมันเป็นเรื่องของเหตุของปัจจัยที่ทําให้เกิดขึ้นมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราไปเจิมรถหรือไม่เจ <you very S 2> <Your> ิมรถไม่เกี่ยวกัน การนั่งสมาธิจําเป็นต้องมีการเดินจงกรมควบคู่กันไปด้วยไหมครับในการทําแต่ละวันครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราปฏิบัติหน้าปฏิบัติน้อยถ้าเราปฏิบัติทั้งวันนี้เราจะนั่งสมาธิทั้งวันไม่ได้เพราะร่างกายมันจะเมื่อยเราก็ต้องลุกขึ้นมาเดินจงกรมสลับกันไปนั่นเองแต่ถ้าเรานั่งแค่ครึ่ ง, งชั่วโมงชั่วโมงนึงเราไม่ต้องเดินจงกรมก็ได้ หากช่วงที่เรารักษาศีลแปดแล้วได้ยินเพลงที่ไม่ได้มาจากที่เราเปิดสามารถกําหนดรู้กรรมฐานขณะที่หูก็ต้องรับฟังเพลงครับเกอควรที่จะกำหนดพูดโทย์จะดีกว่าเพื่อจะได้ดึงใจมาให้ไปฟังเพลงถ้าพอฟังขึ้นมากๆเดี๋ยวอยากจะฟังขึ้นมาเท่าก็จะยุ่งอาราธนาศีลแปดและลาศีลด้วยตัวเองที่บ้านเลยได้ไหมครับ ได้ไม่ต้องหวังใครบอกตัวเราเองเราเป็นคนรักษาแล้วก็บอกตัวเราเองว่าวันนี้จะรักษาสิบแปดเราก็รักษาไปพอพรุ่งนี้เขาบอกไม่ยังจะรักษาแล้วแล้วก็บอกตัวเองวันนี้ไม่รักษาแล้วนะวก็จบแค่นั้นนะบรรพบุรุษที่ช่วยเหลือและดูแลลูกหลานหลังจากเสียชีวิตท่านจะอยู่ในภพภูมิใดได้บ้างครับอยู่ที่บุญที่บัดท่านที่ท่านทำเอาไว้ สวดมนต์ที่บ้านจะเหมือนสวดมนต์ที่วัดไหมครับน่าต่ว่าเรามีสติเหมือนกันหรือเปล่าถ้าสวดที่บ้านมีสติเหมือนกับสวดที่วัดมีสติก็ผลก็ได้ได้เหมือนกันผลอยู่ที่สติไม่ได้ที่สถานที่เวลาที่ไม่ได้นั่งสมาธิเราสามารถฝึกสติโดยใช้การดูอริยาบทแทนการภาวนาพุทโธได้ไหมครับได้ เราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าเราเป็นพระโสดาบันครับไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บเ่าบอกเป็นมาเลยก็ยิม้มไม่ติดเต้นตกใจพร้อมที่จะตายทุกเมกื่อทุกเวลาพร้อมที่จะเจ็บทุกเวลานาทียมหลบหลีกคนที่บั่นทอนสุขภาพจิตหรือคนที่ทําให้จิตใจโยงกระเจิงเน้นสุขภาพจิตตัวเองหลีกการกระทบกระทั่ง การหลบหลีกตัวเองไม่ให้กิเลสต่ตางๆมากระทบจิตทําและคิดอย่างนี้ถูกต้องแล้วไหมครับก็ยิ่ขั้นเบื้องตอน้นเรายังไม่มีปัญญาที่จะสามารถเผชิญกับอารมณ์ต่างๆที่เรามากระทบกับเราได้เราก็ต้องหลบไว้ก่อนแต่ถ้าเรามีปัญญามีจิตแล้มีพลังแล้วเราไม่ต้องหลบไม่ต้องหลีเราสามารถที่จะสัมผัสรับรู้กับอารมณ์ทุกชนิดได้ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีอันนั้นเราก็ไม่ต้องหลบ พอเราสักแต่ว่าเราปล่อยวางเราไม่ไปยึดไปติดไม่ไปตอบโต้อะไรทั้งสิ้นใครจะพูดดีเราก็เฉยรับรู้เรื่องก็เฉยใครจะชมเราเราก็รับรู้เรื่องเราก็เฉยไปเป็นเหมือนเดนเดิมโยนหน้าบนใบบัวกิ้งไปกิ้งมาไม่หยดซึมเข้าหากันไม่เกิดอารมณ์การปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุดในชีวิตประจําวันควรปฏิบัติอย่างไรครับ ก็พูดโทรนะพูดโทไปทั้งวันทําเดียวท่านึองสั้นที่สุดแล้วไม่มีอะไรจะสั้นกับพูดโธแล้วแต่ต้องทําทั้งวันนะไม่ใช่ทำแค่คำเดียวไม่มีทางอกที่จะปฏิบัติสั้นๆแล้วได้ผลมันต้องปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนพระพุทธเจ้าสอนทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามถ้าอยากจะถึงเข้าถึงธรรมได้ต้องปฏิบัติทั้งวันทั้งคืน แต่กรรมฐ า, ทานที่สั้นที่สุดก็คือพุโทโธพุโทโธหรือคาว่าตายในโลกปัจจุบันมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการศึกษาธรรมอย่างพวกแชท GPT ผมเห็นว่าการสนทนาธรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับธรรมะง่ายขึ้นแต่ส่วนของความถูกต้องนั้นผมก็ไม่แน่ใจเราควรจะวางใจอย่างไรดีครับอย่าไปสนใจดีกว่าศึกษาจากหลังที่ที่ถูกต้องเลยคือพระไตรปิฎกก็ดี หรือว่าหนังสือของครูบาอาจารย์ที่ท่านบรรลุธรรมแล้วจะดีกว่าไม่ต้องมันกังวลไม่ต้องมีความลังเลยสงสัยเพราะเป็นความเป็นธรรมที่สว่างขาตัวเพราะกว่าตาธรรมโมไม่ได้ใส่บาตรมานานมากแล้วครับแต่ให้ทานสุนัขจอนจัดร้อยกว่าตัวแบบนี้ทุกวันได้บุญไหมครับได้ไม่เหมือนกันเลี้ยหมาร้อยตัวเลี้ยงเดนเรื้ยงผพาร้อยคนก็ได้บุญเหมือนกัน พระอรหันต์ที่ละสังขารแล้วจะอยู่ในพุทธเกษตรหรือไม่มีจิตดับสลายไปหมดเข้าสู่นิพพานครับไม่ไดับหรอกจิตไม่ไดับจิตนี่แเป็นตัวเข้าสู่นิพพาน <c oughs> ถือศีลแปดสวดมนต์อยู่ที่วัดแล้วขนหัวลุกขึ้นอาการแบบนี้คืออะไรครับถ้าขนหัวลุกเห็นก็ลูกตามความเป็นจริงกันนะน่าเป็นอสารไปสนใจว่ามันชื่ออะไร เมื่อเราไม่รู้ก็ไม่หนุนสนใจรู้ว่าอาการมันเป็นอย่างนี้ก็พอถ้าเราปฏิบัติแล้วยังไม่บรรลุในชาตินี้เราควรตั้งจิตอย่างไรให้ได้ไปเกิดในยุคภาสีอา่านครับเ ร, เราตั้งจิตให้ไปเกิดในยุคนั้นไม่ได้หรอกแล้วแต่จังหวะแล้วแต่เหตุปัจจัยเราให้ทําให้ดีที่สุดให้มันติดเป็นนิสัยไปก็พอเพราะเราไปเกิดมาแล้วจะได้ปฏิบัติต่ตอโดยที่มีภาษีอา่านก็ไม่มีก็ไม่เป็นไร เราสามารถปฏิบัติต่อได้บวชชีอยู่ที่วัดแล้วลาบวชไปพักสองสามวันแล้วกลับมาบวชใหม่แบบนี้ทําได้ไหมครับจะน่าเกลียดไหมครับได้ทั้ง น, นั้นไม่มีกฎข้อห้ามแม้แต่พระบางคนก็มีบวชได้สองสาวันแล้วก็เสร็จแล้วเดือนก็นกลับมาบวชใหม่ก็มีไม่มีกฎท่ามอะไรนะอยู่ที่คนเขาจะบวชให้หรือไม่ั่นเองถ้าก็เห็นว่าค น, คนใจเราเลย ออวนแล้วก็อยากะเสร็จพอเสร็จแล้วอยากฉะะบวยผมเทงก็ว่าให้เลือกเราอย่างใดอย่างหนึ่งดีกว่าตอนขับรถควรฝึกสติอย่างไรครับอยู่อาการขับรถเลยให้เข้าดูว่าทางที่เราขับอยู่ข้างหน้ามีอะไรขัดกีดขวางหรือเปล่ามีอะไรที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือเปล่า ฟังบทสวดพระประิริทุกๆคืนทําให้หลับง่ายขึ้นถ้าไม่ได้ฟังก็จะไม่หลับอย่างนี้เป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะมันติดเนี่ย เ, เยวลาใส่บาทเราใส่เงาะมังคุดเป็นลูกได้ไหมครับโดยไม่ปอกเปลือกครับได้แต่เวลาพระจะชันนี่ท่าต้องไปให้คนเขาทํากับวิยญาให้ก่อนคือการปอกเปลือกก็เป็นการทํากับวิยญาเขาว่ากับวิยญาหมายถึงทําให้ ให้บริโภคได้คือคนสมัยโบราณนั้นเขายัางเชื่อว่าผลไม้มีชีวิตอยู่เป็นของมีชีวิตถ้าพระเอาผลไม้ไปกินนี่ก็จะถือว่าทำบาปผิดสินข้อที่หนึ่ง <c oughs> พรูพเจ้าก็เลยให้แก้ว่าก่อนพระ ท, ที่ก่อนพระจะรับรืวอฉันผลไม้ที่มีอเมล็ดนีน่ให้ศรัทธายาอยู่ปอกเปิดเหมือนกับเป็นค่าค่าผลไม้นั้นให้ก่อนแล้วค่อยเอาไาฉันได้ ทำให้ผลไม้มันตายเคือปอกเปลือกหรือ ว, ว่าถ้ามีมเมล็ดก็เอามเมล็ดออกทิ้งไปอย่างเงี้ยก็ถือว่าผลไม้นั้นมันไม่เกิดแล้วกินเนื้อมันได้แต่ถ้ากินในขณะที่มัยังมีมเมล็ดอยู่ก็ถ้าเราไปทำลายตัวที่จะไปเกิดใหม่ก็คือมเมล็ดได้อาจารย์ครับตอนนี้มีคนดูพร้อมกันตอนนี้เกินสองพันคนแล้วนะครับอาจารย์ครับอืม พวขาอาจะดีเนาะคนอยากจะรู้ว่าในโลกสวรรค์มีจริงหเปล่าตายแล้วจะไปไหนอันนี้เป็นตำการ ท, ที่ทุกคนอยากจะรู้กันคนทําบุญทําทานหวังความร่ํารวยอันนี้ได้ผลจริงในชาตินี้ไหมครับในชาตินี้ไม่แน่แตนแต่ชาติหน้านี้แน่ถ้าทําบุญแล้วมทำ功德ดีกว่าไม่ทํามันจะได้รวยกว่าคนที่ไม่ทําบุญในชาตินี้มัน รวยจนนันมันมีเหตุปัจจัยอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม่ใช่ยู่ที่การทําบุญเพียงอย่างเดียวได้ของแจกจากงานศพเป็นข้าวสารเราไม่ได้เอาไปใช้นํามาใส่บาตรได้ไหมครับได้เดี๋ยวขอไปเขาไม่ไยอมใส่ข้าวสารกัน ถ้าจะใส่บาตต้องเอาของสุกใส่บาตรถ้าของเป็นของที่มันต้องเอาไปหุงนี่พระาไปหุงเองไม่ได้ถ้าอยากให้พระกินก็ต้องหุง้าบสารให้ก่อนแล้วค่อยเอาไปใส่บาตตอนที่เราเจ็บมากๆจะดูเวทนาอย่างไงครับดูว่ามันเป็นเหมือนเดินฟ้าอากาศเราห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้ทําทใจให้อยู่กับมันให้ได้ยอมรับมันให้ได้ยินดีต้านรับมัน อย่าไปเ ก, ปเ ก, เเกลียดมันอย่าไปรังเกียจมันเพราะรังเกียจแล้วมันจะทําให้เราทุกข์ทรมานถ้าเรายินดีต้อนรับมันรักมันชอบมันเราก็จะมีความสุขกับมันหากโยมป่วยไม่สามารถทํางานหารายได้มาใช้จ่ายได้แต่ทางบ้านก็ให้เงินไว้ใช้จ่ายหรือให้ด้วยความเต็มใจเมื่อจะนําไปทําบุญและร่วมทําบุญด้วยกันเช่นนี้โยมจะได้บุญหรือไม่เพราะเป็นเงินที่ไม่ได้หามาด้วยตนเองครับ ได้เพราะมันก็มามันมันก็มาจากคนอื่นเขาให้เราก็เป็นรายได้ของเราอีกทางหนึ่งไม่ใย่ไม่จะเป็นว่าเราจะต้องไปทำมาหากินเราถึงจะได้เงนินมาทมําบุญเงินที่เขาให้เรามานี้ก็เป็นถือว่าเป็นอันุสงของผลบุญที่เราเคยทํามาในอดีตชาติก็ได้ยิงทําให้มีคนมีเขาเอาเอ า, เอาเงินมาให้เราถ้าให้เราแล้วมันก็เป็นของเราถ้าเป็นของเราแล้วเราจะไปทําอะไรก็ได้ ซื้อหวยเป็นบาปไหมครับไม่บาปแต่มาจะทําให้เราเจ๊งจะทําให้เราจนได้คนที่ระหว่างรอเกิดเป็นมนุษย์แต่ยังไม่ได้ร่างวิร่างวิญญาณจะรออยู่ที่ไหนครับก็อยู่ที่เดิม ว, วิญญาณมันก็อยู่ในระดับของมนุษย์แต่เพียงแต่ว่าไม่มีไม่มีร่างของมนุษย์แทค่เข้าไปสวมไปไปครอบครอบครองนั้นไองก็ต้องรองไปเรื่อยๆก่อน คนที่มีน้อยทําบุญน้อยก็ต้องเกิดมามีน้อยตลอดไปหรือครับไม่ใช่หรอกคนมีน้อยก็ทําบุญได้บุญมากก็มีมันอยู่ที่สัดส่วนของบุญของเงินที่เราทําไปสมมติเรามีร้อยบาทเราทำห้าสิบบาทนี่เท่ากับเราทำร้อยละห้าสิบเลยกับอีกคนหนึ่งที่มีแสนหนึ่งนี้ถ้าเขาอยาจะทําเท่ากับเราเนี่ยก็ต้องท 50, ําห้าหมื่นเขาถึงจะได้บุญเท่ากับเราแต่เวลาไปเกิดพบหน้าชาตแนนี้ คนที่ทำร้อยก็จะได้เงินร้อยบวกดอกเบี้ยคนที่ทำหมื่นก็จะได้เงินหมื่นบวกดอกเบี้ยพรุ่งน้าไปเกิดก็จะรวยจนไม่เท่ากันอเองเคยสวดมนต์ทุกวันตอนนี้ป่วยปวดขานั่งสวดไม่ได้ครับขอพระอาจารย์แนะนําด้วยครับนอนสวยก็ได้ ใจที่ยึดมั่นต่อความผูกพันควรจะตัดอย่างไรครับก็ให้เชข้าถึงความไม่เที่ยงทุกสิ่งทุก อ, อย่างมีการเกิดแล้วก็ต้องมีการดับเป็นธรรมดาต้องมีพัดการพัดว่าจากการเป็นธรรมดาอยากทราบว่าพระโสดาบันท่านจะไม่เศร้าในไม่อะไรในชีวิตตนเองแล้วท่านจะยังคงเศร้าไหมครับหากคนที่รักของท่านมีการจากไปครับ ยังเศ้าอยู่เพราะท่านขาดคนที่ทําให้ท่านมีความสุขนะท่านยังอาศัยคนที่ละมาให้ความสุขอยู่ท่านก็เลยเศร้าเวลาที่เขาจากไปแต่ท่านไม่เศร้ากับความเป็นความตายของตัวของท่านเองถ้าปฏิเสธคนอื่นแต่อ้างเหตุผลที่ไม่จริงอย่างนี้ผิดศีลไหมครับถ้าโกโหก ก, ก็ก็ผิดถ้าไม่จริงก็ผิดเพราะว่าไม่จริงก็แสดว่าโกโหกนะ ถ้าไม่อยากมาเกิดอีกเพราะรอบตัวเรามีแต่ความวุ่นวายต้องทําอย่างไรครับให้บวชนะว่าตัดกิเลสให้หมดไปจากใจพระพุทธเจ้า ก, ก็บวชพระอาจารย์ทั้งหลายส่วนใหญ่ท่านก็บวชทั้งนั้นการปฏิบัติธรรมคือการละความสุขทั้งโลกให้หมดใช่ไหมครับความสุขทั้งโลกก็ทรํร่ายมสรรเสริญรุ่เสียงกินดรับห<ม>าความสุขจากการทําใจให้สงบ ด้วยการตัดกิเลสหยุดกิเลสตัดความอยากหยุดความอยากให้หมดฝันจากใจใจก็จะสงบอย่างเต็มที่อย่างเท่าวรให้ทานกับคนทั่วไปและทําบุญถวายพระถือเป็นการให้ทานเหมือนหรือต่างกันไหมครับเหมือนกันคาว่าทานก็แปลว่าให้การให้แปลว่าทานให้การก็เป็นทานเั้งนั้นพียแต่เรามาแยกๆเวลาเราให้พระเราก็เรียกว่าทําบุญ เวลารให้คนที่ไม่ใช่เป็นพระเราก็เรียกว่าให้ให้ทานแต่ความจริงมันเป็นทานทั้งนั้นให้พระก็เป็นทานให้โยมก็เป็นทานคือแปลว่าให้ไงคว่าให้ทานแปลว่าว่าให้ถ้าเรารักษาศีลห้าเป็นประจําจะทําให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์ทันทีเลยไหมครับก็อยู่ว่าเราได้ทําบุญหรือเปล่า ถ้าเราไม่ได้ทำบุญเลยเราก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ทันทีแต่ถ้าเราทำบุญด้วยนักสาสิห้าด้วยเราก็จะไปรับผลบุญก่อนไปเที่ยวในสวรรค์ก่อนแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปบรรพบุรุษที่ไหว้สืบสืบกันมาจนมาถึงรุ่นลูกหลานวิญญาณของบรรพบรุษยังได้รับอยู่ไหมครับเพราะว่าเด็กสมัยใหม่ไม่เชื่อครับ ก็ไม่แน่นะแต่ว่ามันต้องหมดวิญญาของท่านไปเก่กันหรือยังถ้าไปเกิดแล้วท่านก็ไปรับส่วนบุญของเรานั่งสมาธิภาวานาแล้วท่องพุทโธไปเรื่อยๆแล้วหายไปสมควรทําอย่างไรต่อครับนั่งนิ่งๆต่อไปหรือสมควรกลับไปที่พุทโธครับแล้วถ้าท่องพุทโธแล้วต้องท่องไปจะถึงจุดไหนครับก็จุดที่มันนิ่งเนี่ยมันนิ่งแล้วมันสบายมีความสุขแล้วก็หยุดได้ ถ้ามันยังไม่มีความสุขก็ท่องต่อไปถือศีลแปดตอนหลังเที่ยงสามารถจะทานอะไรได้บ้างครับมันเยอะแยะไปหมดมเลยกินอะไรที่ไม่ใช่เป็นอาหารได้ทั้งนั้นนะอะไรที่เราไม่ถือว่าเป็นอาหารนั้นาได้นะกินได้้ะ คุณแม่เสียชีวิตไปแล้ว25ปีทําบุญให้แม่ได้รับไหมครับก็แล้วแต่ว่าคุณแม่รอรับอยู่หรือเปล่าถ้าท่านไม่รอรับท่านก็ไม่ได้ช่วงเข้าพรรษาตั้งใจจะถือศีลห้าสวดมนต์ทำสมาธิต้องทําวัดเช้าเย็นด้วยไหมครับการทําวัดเช้าเย็นก็เป็นการฝึกสมาธิเป็นการจเจริญสติอย่าง ทำก็ไดไม่ทำก็ได้อยู่ที่เราพระโสดาบันยังมีความกลัวความพลัดพรากจากคนที่เป็นที่รักอยู่ไหมครับไม่กลัวแต่ไม่อยากให้ไปยังอยากให้เขาอยู่กับเราไปเนื่นเองเพราะเขาให้ความสุขกับเราพอเขาไปก็เศร้าใจเสียใจเพราะยังมีตัณหา ม, มีกามาราคะอยู่ ยังต้องอาใช้คนอื่นให้ความสุขกับตัวเองเอยู่เวลาที่ผมนั่งสมาธิได้สักพักเวลาจิตเริ่มนิ่งจะมีอาการใจสั่นตัวดินแล้วตัวดินมังคป้าอาจารย์ตัวดินแล้วนะผมก็หยุดทำสมาธิไม่เคยผ่านจุดนี้เลยครับขออนุญาตขอแนวทางครับมันไม่นิ่งจริงนะนิ่งจริงมันไม่สั่นถ้ามันสั่นก็ต้องนั่งต่อไปภาวนาต่อไป ถ้าใช้พูดโท้ก็พูดโทต่อไปอย่าเพิ่งหยุดใจที่เป็นทุกข์มากจะจัดการใจตัวเองอย่างไรครับก็ทำให้มันหายทุกข์เลยหยุยคค ด, ดยความคิดได้ถ้าหยุดความคิดได้ใจก็หายทุกข์ชั่วคราวถ้าหาใจเห็นของความทุกข์กะจะอะไรก็ไปนะครับเห็นนั่นเสียใจก็จะหายทุกข์อย่างถาวร ในที่ทำงานมีคนหนึ่งชอบพูดใส่ร้ายเราและดูหมิ่นเยียดหยามกันเกือบทุกวันเราควรทำตัวอย่างไรเพื่อให้อยู่ร่วมกันได้ครับเฉยๆไปไปล่อยเขาพูดไปไม่ใช่เรื่องของเราถ้าพระบวชแล้วมีเงินส่วนตัวสะสมทองได้ด้วยหรือครับคือเงินเนี่ยพระสามารถมีได้ถ้ามีศรัทธาญยยาติโยมจะถวาย ให้เพียงแต่ว่าท่านเก็บไว้เองไม่ได้ท่านต้องฝากคนที่ไว้ใจได้แล้วเวาจะใช้อะไรก็ต้องอาศัยคนที่เราฝากนี่เป็นคนช่วยจัดการหาซื้อมาให้เองตามเรียนถามอาจารย์ครับหนูเคยเป็นคนหาปลาแต่ตอนนี้เลิกแล้วจะลดบาปได้ไหมครับจะทําดีต่อไปครับบาปลดไม่ได้แต่เราเพิ่มบุญได้เพิ่มบุญใหามันมากกว่าบาปได้ใช้บาปเป็นประจํา ให้บาปให้ม า, มากมากขึ้นสะสมบุญนะมามีมีมระบาปบาปก็ยังจะไม่สามารถออกฤทธิ์ได้ยังไม่สามารถสร้างผลให้กับเราได้เพราะมีบุญคอยกั้นเอาไว้ก่อนหดูขอเรียนถามด้วยความโง่เขลาและมีกิเลสนะครับถ้าการไม่มีคู่แล้วเราช่วยตัวเองให้พ้นกิเลสทางการมแบบนี้บัดเป็นบาปไหมครับก็ยังเต็มอยู่ไยังติด ความอยากที่จะหาความสุขจากการร่วมเพศอยู่ถึงแต่ว่าแทนที่จะใช้คนแล้วก็ใช้ตัวเราเองไปเพื่อเป็นพฤติกรรมอันเดียวกันเหมือนกันเพื่อระงับความอยากอยากมีความสุขจากการร่วมเพศมันก็จะทําให้เราติดอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆเขาถามกขาว่าบาปไหมครับอาจารย์ครับก็แล้วแต่เขาเราจะแปข้ามาว่าบาปครับ มันก็เป็นเป็ น, านการกระทาที่ไม่เป็นกุศลเป็นกินเลสกาจะถามว่าบาปเราก็ไม่ได้ไปทําให้คนหนึ่งเสียหายอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าบาปแต่เราทําตัวเราเองให้เสียหายทําตัวเราให้อะไรต้อกติดติดอยู่กับพฤติกรรมอย่างนี้อยู่เราเองกทําไปเรื่อยๆอยู่สวดมหาเมตตาใหญ่วันโกนวันพระจะได้ผลอย่างไรบ้างครับ การสวดเพื่อให้เราไม่สติให้ใจสงบแต่สวดบทไหนก็ได้เวลานั่งสมาธิแล้วความคิดเข้ามาเยอะมากควรทำอย่างไรถึงจะไม่ไหลไปกับมันและการปล่อยวางที่แท้จริงหมายถึงไม่สนใจเลยหรือว่าเข้าใจและ ว, วางใจครับคือสติเรามีน้อยเราถึงไม่สามารถหมุความคิดได้ เราต้องหมันจจริญสติระหว่างมันไปเรื่อยๆก่อนก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิฝึกสติไปเรื่อยๆก่อนในเวลานั่งเราก็จะสามารถควบคุมความคิดได้ถ้าเราสามารถหยุดความคิดได้เราก็ปล่อยวางได้ไหว้เจ้าที่หรือเทพารักษไหว้พระอย่างนี้ต้องใช้ทูป ก, กี่ดอกต่างกันไหมครับไม่เหมือนกันอันนี้ไม่มีเลยศาสนาพุท ถ้าไม่มีเวลานั่งสมาธิได้หลังห้าทุ่มหรือเที่ยงคืนจะขัดกับระบบร่างกายที่หลังฮอร์โมนหรือการซ่อมแซมร่างกายที่เกิดขึ้นหลังห้าทุ่มไหมครับระบบภายในจะบกพร่องไหมครับไม่เกี่ยวกันนั่งสมาธิไม่ได้ไปทำให้ร่างกายเสียหายหแต่อย่าใดเพราะร่างกายก็ได้พักนั่งเฉยๆการ น, นั่งสมาธินี้เพื่อทําใจให้สงบไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับร่างกาย แม่ทําบุญแผ่ส่วนกุศลให้ลูกที่มีชีวิตอยู่ลูกได้บุญไหมครับไม่ได้แล้วเพราะบุญนี้เขาไม่มีไว้ให้สําหรับส่งไป้คนตายทนะถ้าเราคนเป็นถ้าเราจะใช้ก็มีความสุขแล้วก็วเาเงินให้เขาไปเลยดีกว่าไม่ต้องไปทําบุญให้เสียเวลาเอาเงินที่เราจะไปทําบุญให้เขาไปเลยเขาก็จะได้มีความสุข การสวดมนต์ทำวัดเช้าและวัดเย็นมีประโยชน์อย่างไรครับควรสวดทุกวันที่บ้านไหมครับเป็นการเจริญสติสมาธิสวดไปก็เป็นการเจริญสติถ้าสวดไปจนกระทั่งจิตสงบก็เป็นสมาธิขึ้นมาทําได้ทั้งแข็งที่คนควรจะทํา ท, ทุกวันเสาห้าเป็นหลักพุทธศาสนาไหมครับไม่เป็นเรื่องของโหราศาสตร์ ตอนนี้ความขี้เกียจโจมตีต้องเตือนตัวเองว่าควรปฏิบัติทุกวันจะตายวันไหนก็ไม่รู้แต่ทํางานกลับมาก็พักคนมีความเพียรที่ปฏิบัติทุกวันขยันก็ทําขี้เกียจมีวิธีคิดแบบไหนให้อยู่ในกรอบทุกวันครับก็คิดแบบนี้เนี่ยชิดแล้วต้องทํานี่ยังคิดแล้วไม่ทำตามนั่น แ, แสดงว่าจิตมันเดือไม่กลัวตายพูดง่ายๆก็ไม่กลัวตายยังไม่ชื่อว่าจะตาย ต้องไปเจออุบัติเหตุซะก่อนใกล้ตายซะก่อนัอนมันถึงจะเห็นความจริงขึ้นมาว่าไม่แน่นะชีวิตของเราจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้ในเพียงแต่คิดเฉยๆไม่มี ป, ประสบการณ์นี่มันยังมันยังไม่กลัวตายก็ได้การเกิดของมนุษย์การจะเกิดในครอบครัวเดียวกันในภพหน้าต้องทำบุญและมีศีลสั์ส่วนใกล้เคียงกันใช่ไหมครับก็ยากมากอย่าไปกังวลเะ ถวายเทียนพรรษาพระยังจําเป็นต้องใช้หรือเปล่าครับหรือถวายทําตามประเพณีครับก็ดูวัดที่เขาใช้กันใช้ถ้าไปอยู่วัดไปถวายพวกวัดป่าที่อยู่ในป่าที่ไม่มีไฟฟ้ า, าก็ยังเขาก็ยังใช้เทียนกันอยู่แต่ถ้าว่าไหนมีไฟฟ้าแล้วเราก็ไม่ค่อยได้ใช้เทียนกันเท่าไรใช้แต่เฉพาะเวลาจุดทูบเทียนบูชาพระเท่านั้นเองยัไม่ได้อยอดสายแสงเทียนเป็นแสงสว่างเพราะมีแสงของไฟฟ้าอยู่ สมัยที so to to ่เราอยู่วัดป่าบ้านตากไม่มีไฟฟ้านก็ต้องสายเทียนบางคืนก็จะจุดเทียนพระให้เข้าวสารที่วัดมาให้ชาวบ้านหุงกินชาวบ้านเอาข้าวมากินจะเป็นบาปไหมครับไม่บาปก็เป็นของชาวบ้านเรานีพระให้ให้เขาไปแล้วเป็นของชาวบ้านชาวบ้านเขาหุงกินก็เป็นของเขาก็หิวข้าวก็ต้องมีข้าวกิน หากการทําสมาธิเป็นบุญนั้นเราก็สามารถแผ่บุญนี้ให้กับญาติเทวดาหรือเปรตได้ใช่ไหมครับไม่แน่ใจอันนี้ไม่มีในคัมภีร์ถ้าอยากจะแผ่บุญนี้อุทินบุญนี้มีวิธีเดียวในคัมภีรก็คือทําบุญทําทานไม่ได้บอกว่าให้นั่งสมาธิรักษาศีลแผ่แผ่ไม่แผ่ บ, บุญให้กับผู้ไม่มีในตาําราฉั้นก็เลยไม่กล้ายินยอมไม่กล้าตอบคําถามนี้ ก็เป็นเป็นการสรุปเอาเองของเราคนปล่อยเงินกู้เอาดอกเบี้ยเป็นบาปไหมครับไม่บาปก็เป็นการให้เขาให้เขาใช้เช่าเงินของเราแล้วคิดค่าเช่าไปเหมือนคนที่เช่ารถยนต์นี่เขาก็าไม่บาปนะเขาก็ต้องมีรายได้เป็นแต่ว่าจะโหดร้ายหรือไม่โหดร้ายอะไรถ้าดอกเบี้ยสูงนี่ก็จะโหดร้ายทาเงินไปเลย กาความเมตตาแต่ได้ให้คู่ฟรีไม่คิดดอกอะไนี่ก็ถือว่าเป็นคนมีความเมตตาเป็นคนใจบุญเห็นกิ้งคือผสมพันธุ์กันแล้วนึกเห็นว่าเสมือนคนเสพกามกันและภาพกิ้งคือนั้นติดอยู่ในความรู้สึกที่ตารู้สึกไม่ชอบเนื่องจากรู้สึกกลัวกิ้งคือทําเช่นไรดีครับไม่ไปคิดถึงมันเลใช้พุทโธลบมันไป กิถึงภาพเหล่านี้ก็ทํอพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอยู่กับพุโทโธไปสักพักภาพแล้วนั้นก็จะหายไปถ้าพูดโกหกเพื่อให้คนฟังสบายใจอย่างนี้ผิดไหมครับก็ยังโกหกอยู่นะปัจจุบันพยายามรักษาศีนั่งสมาธิใจอยากจะบวชแต่ติดภาระหน้าที่วางแผนว่าจะบวชตอนอายุสี่สิบจะสายไปไหมครับ ก็ไม่รู้ว่ามันจะอยู่ถึงนั้นหรือเปล่าลูกให้เงินแล้วเรานําเงินส่วนหนึ่งไปทําบุญลูกจะได้รับผลบุญด้วยไหมครับลูกเขาได้บุญตั้งแต่ตอนที่เขาให้เราแล้วส่วนงานที่เราไปทําบุญนี่ก็เป็นบุญของเราเพีงอย่างเดียวลูกไม่มีส่วนด้วยแต่เขาได้บุญแล้วตอนนี้ก็ทําให้เงินเรานี้ก็ถือว่าก็ได้ทําบุญกับเรา จะรู้ได้ยังไงครับว่าปฏิบัติภาวนาถูกทางแล้วครับจิตสงบมีความสุขขนะึ้นมาคนที่ตีสนิทอยากใกล้ชิดกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่ออยากได้เงินจากญาติธรรมอย่างนี้เป็นบาปไหมครับก็เป็นการชําวหาเงินที่ไม่ไม่ควร จะฝึกจิตอย่างไรไม่ให้คิดวิตกกังวลในอนาคตของเราโดยคิดว่าอนาคตเราคงลําบากครับก็อย่าไปคิดถึงมันเด็กเวลามันจะคิดถึงอนาคตก็ใช้พุทธโธพุทธโธระงับความคิดนั้นไปเป็นเกไม่ได้แสดงออกตั้งใจบวชมากแต่ไปบวชที่ไหนก็มักจะไม่ได้วัดไม่อยากให้บวชบอกว่าไม่เหมาะต้องทําอย่างไรครับก็ถือศีลตายไป ปฏิบัตาทำได้เหมือนกันไม่ต้องเป็นบนไม่ต้อง่ต้องเป็นนักงบวนก็ได้คําถามสุดท้ายครับพระอาจารย์ครับไม่มีเวลาใส่บาตรเพราะรีบงานแต่ทําอาหารฝากใส่บาตรได้ไหมครับได้สามทุกขึ้นครับอาจารย์โอกาสครับอาจารย์ครับวันนี้มี คนชมจากเฟซ715จากยู766ครับเจ็ดติ๊กตอบ588นะครับรวมกันทั้งสิ้นมีคนฟังอยู่ 2,076 คนครับอ่านคำถามแรกเวลา20นาิกา11นาทีพระอาจารย์ตอบไป141คำถามนะครับก็ยินดีกับทุกท่านที่เข้ามาร่วมสนทนาฟังธรรมกันหวังว่าคงจะได้ประโยชน์บ้างไม่มากกนน้อย แล้วก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิพจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอสาธุก็ขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้โอกาสหน้าถ้าไม่มีเะลาขัดข้องก็คงจะได้พบกันอีกเช่นเคยในเวลาเดียวกันนี้ขอเจริญพรกราบบอว่าคุณพระจารย์นะครับ